การไมได้ดูเหยี่ใกล้เลยมีช่วงนึงอยู่บ้านกันใช่ไแต่พอรู้ว่าอยู่ใกล้กันไม่เท่าไหร่ก็เก็บเสื้อให้ด้วยใส่เนี้อใส่ยืดเข้ากัเข้ากันใ่เนื้ วาอย่างอุ่นต่บรรยาาศของี่คุณมาอย่ด้ใกล้ๆจะหสถานะไม่ิดเลยเนอะแต่ก็ยังคุ้นๆมาอาจารย์น่ค่ะขออนุญาตเวลาอาจารย์เดินทางให้โทรไปเอาติดแล้วเจ้าคไม่ตัดออะไรเชื่อเลยว่าเวลาสาหรับเตือนทาง มีรอมมอูอีกคนมีสองคนค่ะหน้าคนโตทำงานแล้วค่ะเป็นพี่แล้วก็กำลังเรียนตออยู่ในสถาบนด้วยค่ ะ, ค น, ะคนที่สองนีเรียนปีสุดท้ายของมหาลัยนะคะแต่ว่ววาได้งานแล้วก็วเซ็นสัญญารับงานแล้วอเมริกาค่ะคนเล็กนี่ เรียนเรียนหยุดกองหลารยนเรียนที่ไห่อราเหมือนกันแต่ตอนแรกเรียนร่างุดร่างเป็นไปหุดไปอยุดมายยาวอายุยค่ะตอนแรกค่ะยอยู่ประมาณีะไทยีที่หนึ่งคะ กปีคือถ้าตอนนี้เรียนกาปกติเรียนปกติมนจะต้องขึ้นปีสองแต่ขออายุน้อยกว่ารือคือมันคนอยู่ต้องเกิดสิงหาแตงยี่คุจะแตงยี่สิบชั้นกลางวินวันศุกร์คือกลางแต่ตอนเช้าแล้วต้อมี สป็นที่ด้านอรมนะะว่าเป็นผู้ชายครับเ่อรองสอเชาย้ตอนาไปมัธยมประจาที่ตามเมืองตามงหวัดรนะคะไปอยู่ที่ัยมที่่นเดียวแล้วก็เป็น มันเป็นติกกับเราอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็สโนว์ลองทีก็เสกหวังไม่เห็นแสงแดดนะคะแล้วก็เขาไปแข่งเขเป็นเหมือนคนที่รักษาประตูอะค่ะของไอซอ์ี่เป็นผู้หญิงนะทำเป็นผู้หญก็ต้องเลยมีความรู้สึกว่าความเครียดสูงทำ็นผู้หญิงเนีเรื่อของความความเครียดก็สูงกับแบบนด็แล้วก็ไม่ ไม่มีโอกาสที่จะปรึกษาใครของช่วงนั้นก็แย่มากค่ะแล้วก็สักสองปีปีที่2ก็ขึ้นมาถูกลงปีวายปีที่2ก็แย่มากทีก็แย่ไปเรื่อยๆ ป, ปีที่3ามยิ่งแย่นะได้รับโทรศัพท์จากครูเป็นประจำ อ, อะไรเงี้ยถาว่าแม่ต้องมาซึ่งแม่ก็ต้องเดินทางไกลมากไปอยู่ เขาใกล้ๆอยู่โรงแรงนไม่ใกล้โรงเรียนเขาค่ะแล้วเขาก็ย้ายเป็นโรงเรียนเป็นรียนไปกลางแที่จะเป็นประจำแล้วก็เลิกเล่นกีฬาขเขาก็ไม่ยอมเล่นกีฬาทัหมดแล้วก็มีปัญหามากหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็ต้องข้ประถมแต่ก็จบมัธยมปลายแล้วก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยปี ตื่นอเรียนแล้วก็หยุดแล้วก็เรียนแล้วก็หยุดแล้วก็่างแป๊ดก็หยุดไม่ยอมเรียนเลยค่ะก็แล้วก็เป็นไปเจอแฟบคนแรกอนที่จิตใจไม่ค่อยสบายก็เจอแฟนคนแรกซึ่งอยู่ที่เดิมที่รักเดิมที่เคยโตมาเนคะก็อยู่ได้แป๊ด่เป็นค่อย ไม่ค่อยจะดีเ huh. ท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีคนกิแต่เขาก็ข่าแยกไปเรื่อยแฟนตอยนี้นะคะแต่นลัจากนั้นก็ลังจากนั้นก็เลิกกับแฟนคนแรไปก็มาเจอแฟนคนที่สองเลาเิกกับแฟนคนที่สองเขาก็แย่ลงไปอีกนะค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะแบบ ดีขึ้นมานิดหน่อยน้อยมากนะคะหมายถึงว่าต้องพาเดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเลยเงื่อนตามปกติก็จะไม่ออกมาจากห้องเลยคือจะมีห้องห้องนอนของเขาจะมีห้อ ง, งน้ำอยู่ข้างในเราก็เขาจะไม่ออกมาเราต้องไปเครอบตัวเรียทกทำตับข้าวเอาไว้แบบลงมากินข้าวเขาก็ไม่มาแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นไปจนบางทีทั้งวันก็ไม่ลงมาแล้วเขาก็เริ่มายตัวเอง พวกมีพวกมีตู้มี้จะจบอะไรพวกนี้แตกๆอะไรอยนี้ค่ะเราต้องไปช่วยก็แบบออนอกจากจิตใจเราก็แยกไปด้วยแล้วตอนนี้เขาอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับแม่อยู่ดีค่ะตอนนี้ก็พาเข้าไปเดินทางตลอดที่เขาจะได้ออกมาจากห้องเขาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไปเก็บของอะไรอตอนหน้านตอนตอนเล็กๆมีเคยพาเขาสวดมนต์ไหว้เขา เขาต้องนะโมตัสสะได้นะ่นั้นเองแต่ว่าพอจะให้ไปทำอะไรนะพอจะให้ไปสมาธิเนี่ยจเหมือนกับว่าเขาเกิดอ่ะคุาครูบอกว่าไม่บางเร็่มันจะไม่ใช่งานของเขาค่ะแล้วก็จะพาเข้าไป retreat ซึ่งไปอยู่อ่าเหมือนจะไปเหมือนกับถือสิงห้าแล้วก็ทาน ข้าเป็นเวลาแล้วก็อาจจะพยายามไปถือศีเขาก็ไม่เขาก็รับไม่ได้เขาไม่ยอมรับไม่ได้ mm. แล้วก็เป็นคนเข mm. าเป็นคนอารมณ์แบบคือพูดคล้ายเมือนก็เหมือนอคุณพ่อก็มากในลักษณะของอารมณ์มันนะคะจะพูดแรงแล้วบางครั้งพูดแล้วก็ไม่ท่อได้คิดขาจะพูดแรงมาก ก็ทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับบางครั้งเราะมีความหวังดีกับช่างมากแล้วก็เราก็จะรู้สึกเหมือนกับเราเสียใจที่ก็พูดกับเราในลักษณะแบบนั้นอะไรเงี้ยนี่ก็หลายปีแล้วนะก็เป็นแบบนี้ก็เป็นมาห้าหกปีห้าหกปีก็หนักมาตลอดตั้งแต่หกปีแล้วแต่ละวันก็มีกิจกรรมยังไงตอน ถ้าทํากิจกรรมไว้ให้เขานะคะเขาก็บางทีเขาก็จะทําได้บางทีเขาก็บอกไม่เอาวันนี้จะขอนอนเองคะ่ะแล้วก็ไม่ไปไห น, นะคะ่ะกินย า, ายาทานยาแล้วปรับมาหลายตัวแล้วจนตอนหลังเขาก็บอกว่าเขาขอไม่เอาแล้วเพราะมันมีเอฟเฟกตกับทางร่างกายของเขาก็ปรับมาแรกให้ไปหาหมอเขาก็จะหาหมอแต่เฉพาะที่ จ่ายาให้เท่านั้นจ่ายยาทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะบอกกับเขาว่ามันจะไม่ช่วยถ้เกิดไม่ได้พูดอะไรออกมาค่ะแล้วก็เขาก็พยายามจะนัดคนนัดได้สองครั้งก็ไม่ไปทั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหามากแล้วก็บอกให้คนะัดเองที่เขาไม่นัดอาม่าเอ็นชาน <c oughs> ตอนนี้ยอมอยู่คนเดียวเลยค่ะอยู่กับลูกคนนี้นะคะอยู่ลูกสาวคนนี้แล้วมียอมมีโครงการจะไปไนีนต่อก็จะไปก็ลงที่ลงะว่าขดขัดขึ้นขยยึ้นล ง, ง, งม ลงสัมนาให้เขานะคะหลายๆอย่างหลายๆวิชาให้เขาดูเป็นสัมนาสั้นๆอัจจะวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะฝื่นไปได้แต่ว่าชั้นนานเนี่ยช่วงยอมหรือขอให้ไเรียนสักเทอมอะไย่างเงี้ยค่ะทำไมยอมถึงหวังอยากให้เขาเรียนอ๋อก็ถ้าที่โน้นมันถ้าไม่เรียนเนี่ยเขาก็ต้องทํางานแล้วถ้าทางานเขาก็ไม่ออกจากงานอือคือยอมต้องเข้าใจว่าสภาพเขาทำไม่ได้เลย แล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาก็ต้องเลี้ยงโตเขาครับที่นู่มันพอถึงความจริงอายุสิบแปเนี่ยพ่อเขาก็จะไม่ให้คือจะให้จะช่วยก็ต่อเมื่อลูกกันเองอยู่คือต้องยอมรับความจริงเลยตอนนี้สิ่งที่ดำเนินมาทั้งหมดมันไม่ถูกไม่ถูกยอมขยับ้ นั่งตามสบายเลยนั่งขัดสมาธิเลไอ้ที่ท่าที่โยงถนังนั่งเออนั่งเออท่าที่โองท้าที่มีอะไรรองค้นนั่ ง, น, งนั่งได้ไหมคือคือโยงต้องมันก็ ตอนนี้นะแยกสองส่วนะหนึ่งความเห็นสองความความรู้หรือความกินโยมพยายามต้องแยกปัญหาจริงๆตอนนี้ก็คือโยมต้องต้องรักษาหรือต้องมาพิจารณาแยกแยะให้ชัดก่อนว่าความเห็นความต้องการที่โยมอยากให้ลูกเป็นตามที่เราต้องการตามที่เราอยากให้เป็น ตามเหตุผลตามความต้องการที่เราคิดอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เป็นความเห็นนะมีความเห็นต้องโยงความเห็นควรจะเรียนความเห็นควรจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นความเห็นความเห็นแต่ตอนเนี้ยความจริงที่เห็นที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือลูกเป็นแบบเนี้ยและจริงๆสถานการณ์ที่เกิดมาเป็นมาตั้งนานเริ่มเป็นมาตั้งแต่ตอนสมัย ที่เขาเป็นมัธยมหนึ่งสองสามแล้วตอนนั้นก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่พอมาระยะหลังๆขึ้นมาอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าแรงแล้วทีนี้ถึงแม้ว่ากติกาอามาก็เข้าใจนะกติกาของสภาพสังคมนะที่นัน่นก็เป็นอย่างนั้นตามกติกาก็คืออาจจะทำสัญญาอะไรต่งางๆกับพ่อไว้ว่าจะต้องส่งเรียนจบปริญญาอะไรก็แล้วแต่เถะ แต่โยมนี่นคือความเห็นไงว่าเราจะดันเข้าไปถึงนั้นพอให้จบออกมาได้สภาพมันจะหนักกว่านี้ <c oughs> นี่ต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยเราต้องเข้าใจความจริงมันเป็นแบบนี้แหละโดยโดยไม่ต้องเอาความเห็นไปใส่ก่อนว่าที่ปัจจุบันเขาเป็นยังไง <c oughs> เขามีพฤติกรรมยังไงมีสภาพจิตใจอย่างไรแล้วก็ความเห็นก็เป็น แล้วสภาพที่เขามองโลกและชีวิตตั้งหลายอลไนี้อาการที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาพระเขาเรียกว่าถดถอยคือคนเราเนี่ยจะมีสองส่วนสภาพะเขาเรียกมานะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนมานะเคื่องฟูก็หมายถึงมานะมันฟูมันมีกำลังฉันทำได้ฉันเก่งฉันสู้เขาได้ เนี่ยมันมี mana ประเภทที่ขึ้นมาโอ้โหมันมีพลังแต่วันใดวันหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวนี้ขึ้นมามันไปกระทบปัญหาไปเจอปัญหาไปหลายครั้งขึ้นมาเนี่ยนเข้าในเข้านี่มันโดนทุบดนอะไรต่างๆชีวิตของเขาที่เขาเจอมาเยอะมากมายเนี่ยแล้วโดนทุบแล้วมันก็ยุบลงมามันพยายามจะขึ้นมาหลายครั้งเนี่ยความรู้สึกเ็บเนี่ยแต่นัเข้านเข้ามันก็แพ้มาทุกครั้งแพ้มาทุกครั้ง ในสภาพความรู้สึกอย่างนี้ที่มันแพ้มาทุกครั้งถูกกดดันมาอย่างมากมายเนี่ยนะหลายหลายครั้งแม้ความรู้สึกที่ว่าไปเจอแฟนคนที่หนึ่งนี่สุดยิงอ่ะด้วยสภาพที่เขายิ่งไปถูกกดถูกตาหนิถูกว่าถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็กดทับเข้าไปอีก กระสุดลงมาอีกอาใจคนที่สองซุดอีกสถานการณ์ต่างๆไม่เ อ, อ, อื้อกับเขาเลยเขาเรียกว่าตอนนี้มันถดถอยอยู่ดอาการมันไม่สู้แล้วมันไม่เอาแล้วรวมจยอมจะดันยังไงนี่ต้องเข้าใจความจริงก่อนเนะความจริงมันเป็นแบบนี้สถานการณ์มันเขาแย่แล้วท้งสภาพจิตใจเา้าหดหู่ท้อยถอยงอยเหยงาเศร้าซึมมันไปหมดแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่เรื่โรคทางกายอันนี้เขเรียกโรคทางใจเป็นโรคทางใจล้วนๆเลยอาการแบบเนี้ยภาษาพากเขาเรียกมันมีกิเลสกลุ่มหนึ่งก <c oughs> ิเลสกลุ่มเนี้ยพอมันไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาแล้วมันซุดมันเจอปัญหาแล้วมันโดนจะแทกแล้วมันซุดลงซุดลงซุดล ง, ดลงทีนี้พอมันซุดลงหนักเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นก็คือว่ามันดาวหมดแล้วลงลงต่ำแล้ว ยอมก็พยายามที่จะเป็นลงวางอะไรต่างๆแล้วก็พยายามหลอกล่อให้เขาไปได้สั้นๆอะไรก็แล้วแต่พยายามทุกวิถีทาง น, นี้ไม่ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยอมยังหนึ่งยอมยังอยู่กับความเห็นยอมต้องตัดความเห็นออกไปแล้วต้องมาอยู่กับความรู้ความเป็นจริงแค่ไหนให้รู้อย่างนั้นแต่การรู้ความจริงเนี่ยมันจะมีสองส่วนถ้ายอมเอาความรู้สึก เอาความรู้สึกเข้าไปรู้ปุบขึ้นมาในยอมยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่ชอบใจไม่ไม่สบายใจมันทุกข์ใจมันทรมานอาการอาการแบบนี้เพราะเราไม่อยากเห็นอย่างนี้ไม่อยากได้ยินแบบนี้ไม่อยากให้รูปเป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอีกอย่างนี่ความรู้สึกของยมนทีนี้นี่คือการอยู่กับความรู้สึกแต่ถ้าความรู้ถ้ายม ตั้งใจให้ดีแล้วก็เริ่มมาแทนที่จะไปมองปัญหาข้างนอกก่อนมามองเรื่องเรื่องสภาพของโยมครับตอนเนี้ยสภาพจิตใจของโยมโยมมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้ไม่อยากเห็นลูกมีสภาพแบบนี้ต้องการอยากให้ลูกเรียนจบมีงานทําอะไรต่างขึ้นตนัวเองได้นั่นคือความคิดของแม่โดยทั่ ว, วไปแต่ตอนนี้ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น ปัญหาต้องถามโยมว่าโยมพอรู้ความจริงอย่างนี้โยมวางท่าทีทางใจต่อความจริงนี้อย่างไรที <c oughs> รนี้พอพออย่างนี้ขึ้นมาก็ก็ก็เข้าใจเรื่องนี้โยมต้องต้องวันนี้คุยพอเป็นพื้นฐานแล้วต้องมาคุย <c oughs> อีกต้องเพราะว่า เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยอมจะต้องไปอยู่กับสิ่งเหออนี้อีกนานมากอีกนานเออตอนนี้ก็คือเรื่องเรื่องเด็กเนี่ยยกไว้ยอมยกก็ต้องยกอมต้องยอมรับความจริงก่อนว่าถ้ายอมมีข้อมูลเพียงแค่เนี้ยยมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถไปแก้ไขได้ต้องยอมรับศักยภาพก่อนนะตอนนี้ยอมทําอะไรไม่ได้ไดความจริงตรงเนี้ยอมต้องยอมรับมันก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆยมไม่สามารถที่จะไปกําหนดไปคอนโทรไปอะไรต่งตางๆได้เหตุผลเพราะความรู้ไม่พอความรู้เรื่ององค์ประกอบทางด้านสภาพจิตใจของเขานี่ไม่พอว่าสภาพจิตใจของเขาอย่างเนี้ยเอ่อที่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเขาตอนเนี้ มันมาจากสภาพจิตใจอย่างไรเพราะเขาไปคิดยังไงไปสร้างเหตุปัจจัยยังไงสภาพความคิดของเขาจึางเป็นแบบนี้คุณยอมต้องยอมรับความจริงแบบนี้นะงั้นพอพ อ, พอยอมรับความจริงตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมาตรงนี้ก็คือยอมเริ่มแยกระหว่างว่าเนี่ยมี่ความจริงเกิดขึ้นทีนี้พอความจริงเกิดขึ้นเนี่ยเวลาโยมเห็นปัญหาทีนี้ขอบเขตของปัญหาเนี่ย ที่ความขอบเขตของปัญหาหรือก็ที่โยมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของการที่โยมต้องต้องต้องต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าโยมเอาความรู้สึกเข้าไปรับปุ๊บเนี่ยโยมจะได้แค่สองโซนเลยชอบกับไม่ชอบซึ่งตอนนี้ชัดที่สุดก็คือไม่ชอบไม่อยากถึงนเป็นอย่างนี้เลยอยากจะให้เป็นอีกอย่างอันนี้แปลว่าความรู้สึกเป็นแบบนี้โยมต้องมาตั้งหลักตัวเองมา นี่แสดงให้เห็นชัดว่าสภาพจิตใจขู้โยมเองก็ด้านคุณภาพก็มีปัญหาอยู่ตอเ น, นี้ย่ไม่มีคุณภาพคำว่าไม่มีคุณภาพสังเกตได้ตอนไหนตอนที่โยมก็ท้อไปด้วยเริ่มท้อเริ่มเครียดเริ่มกุ้มเริ่มทุกข์แต่นี้คุณภาพของโยมแย่เห็นไหมอันนี้บอกบอกให้เห็นชัดว่าสภาพจิตใจของโยมเนี่ยทั้งด้านคุณภาพแย่แล้ว คุณภาพก็คือด้านความแทนที่จะมีความแขลมชื้นเบิกบานไม่ได้ความในสภาพจิตใจโปร่งโล่งเบาไม่มีด้านสมรรถภาพตอนนี้ก็สุดคือความแก้วกล้าทางด้านจิตใจไม่มีเหลือตอนนี้มีเยอะเริ่มหมดแล้วความแก้วกล้าความบากบันความอดทนตั้งมั่น แห่งจิตความที่สภาพจิตที่มีสติรละลึกอยู่กับตัวกำกับอยู่กับตัวไม่ฟั่นเฟือนเรือนหลงตอนนี้เริ่มแล้วคิดอะไรไม่ออกมองอะไรไม่ออกไม่รู้จะไม่รู้จะ ไ, จะไปทางไหนอนันต้องเข้าใจก่อนนี่คือนี้คือสภาพที่นหลังเจริญตอนนี้สภาพจิตใจตรงเนี้ยมันเริ่มเริ่มเริ่มไม่รู้จะไปทางไหนอันนี้ บ, บอกว่าสมรรถภาพของจิตของเราแย่แล้วถ้าขืนไม่เรียบ ดูแลสภาพจิตใจนักเข้ามันไม่ใช่หนึ่งแต่ลากเป็นสไม่ใช่มันไม่ใช่แค่พึ่งยาแต่ลูกเด็กผู้ยอมก็ไปพึ่งยาทั้งๆ ท, ที่มันก็พึ่งไม่ได้จริงเยเราต้องเข้าใจความจริงทังชีวิตก่อนตอนเนี้มันกลายเป็นว่าความทุกข์ของลูกผู้ยอมไปดึงความทุกข์ของลูกมาใส่ไว้ในใจโยมแล้วก็หมือนเหมนรุงปรุงเป็นความทุกข์ในใจของโยมเนี่ยเราผู้ยอมต้องเห็นต้องรับรู้ต้องสัมผัส เห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้จะออกยังไงแม้ตอนไปอยู่หน้าที่ไหนไม่เห็นก็จริงแต่มันอยู่ในใจเพราะอยู่ในใจขึ้นมาเนี่ยแปลว่าทำอะไรท้อให้มันลืมๆแป๊บเดียวเดือมายเดือมาเดือมายเือตอนนี้สภาพทั้งสมรรถภาพทังจิตเสียทุกด้านทั้งด้านความความเกล้ากล้าหายไปเหลือความหวดหูท้อถอย ความมั่นคงแห่งจิตความอดทนไม่เหลือแล้วความอดทนก็ไม่เหลือลตอนนี้สภาพความความอดทนไม่มีความแข็งแรงของจิตไม่มีความตั้งมั่นของจิตไม่มีแล้วก็มานะเข้าสติเริ่มไม่อยู่กับตั ว, วเริ่มไปเป็สมาธิไม่ต้องพูดถึงตั้งอะไรไม่ได้เลยกลัะไปแทบไปพุ้งซ่านกินเลยพุ้งไปทั่วอันนี้มาพูดสภาพก่อนนะ ยอมมีมีมีลักษณะจิตแบบนี้แล้วที่ตามมาอีกก็คือความทุกข์จิตไม่โปรงไม่โลง่งไม่บางแล้วก็ไม่เอิบอิ่มเร้าส้อยองอหมอยแล้วก็ฟุ้งเครียดตัดรุ่มตัดรุ่มออกจากมันนี่แด้นี่คือคือสภาพจิตที่ยอมเป็น และมาพูดถึงด้านทัศนะความเห็นของยอมยอมก็อยู่กับความเห็นแล้วก็ความหวังว่าหวังว่าจะดีขึ้นเขาให้ทำยังไงก็ทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เริ่มไปหมดแล้วเนี่ยมันจะเปให้ทำอะไรคิดว่ามันจะทำให้ลูกดีขึ้นทานี่คือทั้งคุณภาพเสีย สมรรถภาพเย yeah. อะความสุขไม่มีความเห็นก็เลื่อยขาดความมั่นใจหมดไม่มีความเชื่อมัน่นเราไม่รู้จะทำมันเป็นอย่างนี้นะตอนนมมี้ยอมถึงยมอยู่ในสถานะนี้ <c oughs> นี่นี่คือความจริงที่ ท, ที่กำลังไ ป, ไปเฉลยอยู่ทีนี้เมือม่อเมือ่อเมื่อเรา เราเจอในสถานการณ์นี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆคนก็แก้ปัญหาต่างๆกันนะคไบางคนก็หากิจกรรมไปทำเพื่อให้มันลืมไปนูน่นไปนี้เดินทางบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนสถานที่บ้างก็คิดว่ามันจะช่วเหีนจริงจริงมันไม่ใช่ เห็นไหมเออเรียนรู้เ น, นี่ยมาชี้ตัวปัญหาก่อนปัญหาเห็นว่าอันนี้คือขอบเขตของปัญหาที่คือตัวปัญหาโยมต้องกําหนดมันรอบรู้มันให้ชัดจับมันตัวมันให้ได้ก่อนนี่คือเรืปัญหาเป็นความทุกข์เรตัวปัญหาทีนี้ถ้าเราเอาเอาความรู้สึกไปไปรับไปรู้มันโอ้ยิ่งไปใหญ่แต่ถ้ายอม เนี่ยถ้าฟังไปอย่างนี้ด้วยยองก็ใช้ปัญญาก็ไปพิจารณาถามว่าเออจริงตัว อ, อ, อันเนี้ยเห็นไหมว่าอ๋อเนี่ยถ้าเราปัญญาเอาข้อมูลเอาปัญญาก็าไปรู้เอาความเข้าใจความรอบรู้ก็ไปรู้ว่าเออเราอยู่ในสภาพนี้จริงๆอันนี้เป็นทุกข์มันเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนไฟเนี่ยจนถึงไฟมันไหมใช่ไหมไฟนี่มันโตปัญหาแล้วมันไหมปริมาณของไฟแค่ไหนอย่างไร ขอบเขตของไฟขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ไฟมันไหมอะไรมันไหมกองขยะหรือไหมบ้านหรือมันไหมเมืองปริมาณของปัญหามันขนาดไหนนี่นีรู้แลนิยมรู้แล้วขอบเขตของปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ลูกที่นี่มันลุกรามมาที่เราแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเท่าที่นิยมมองเห็นนะเริ่มเห็นตัวปัญหาไปแล้วทีนี้เหตุ เหตุที่มันทําให้สภาพปัญหาหรือความทุกข์ความรุ่มทั้งหลายทั้งหลายอลไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาหรือปัญหาประสาทที่มันเกิดขึ้นทั้งสภาพร่างกายและจิตใจที่เราเจอทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เราลองสาวดูสิแล้วเราจะเริ่มเห็นเราจะเริ่มเห็นว่าก่อนที่ลูกจะเป็นแบบนี้ใหม่ๆไม่ได้เป็นแบบเนี้ยมันเริ่มจากการที่สภาพสิ่งแวดล้อมที่ลูกไปอยู่ก็ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เรื่องนั้นทั้งหมด แต่พ่อเรารู้ไม่ไม่ชัดเรารู้ไม่หมดเรารู้ไม่กว้างการรู้ไม่ชัดรู้ไม่หมดรู้ไม่กว้างเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ทั้งหมดมันจะดึงมันจะดึงเหตุที่ของปัญหาออกได้เหมือนเหมือนไฟเนี่ยว่ามันลุกเนี่ยนะเราจะรู้เลยมันมาจากเชื้อมันมาจากขยะมันมาจากไม้หรือมาจากน้ามันหรือมาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเห็นถ้าระวางจุดหมายถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยนะก็เรียกเห็นโคตัว ปัญหาเห็นเหตุของปัญหาแล้ววางจุดหมายว่าเราจะดับปัญหาจะดับทุกนี้ได้ทีนี้การจะจะดับทุกนี้ให้ได้จะยมตั้งประเด็นตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บยอมตั้งประเด็นว่าเราจะต้องแก้ไข Chance ปัญหานี้ใหได้ดับปัญหานี้ได้ดับทุกนี้ได้ถ้ายม ว, วางจุดหมายไว้นี้ปุ๊บเนี่ยอย่างนี้ก็เจะมีจุดหมายแล้วมันเห็นเห็นจุดหมายเห็นอนาคตว่าเราจะต้องไปติดจุดหมายแน่แนได้ อันนี้ต้องทั้งบทเหล่าเนี้ยเรายังไม่ต้องไปทําอะไรมันามนะโยมในตัวปัญหาก็ดีเหตุของปัญหาก็ดีเนี่ยตัวปัญหากค็ควรรู้คนรอบรู้ควรจับตัวมันให้ได้ไอเหตุของปัญหานี่มันควละใชควรละคนจัดการมันไม่ควรให้มันมีเกิดขึ้นจุดหมายคือการดับดับทุกเนี่ยวางจุดหมายเหมือนเหมือนการวางจุดหมายว่าจะดับไฟนวิธีการ ถ้าวิธีการก็มีหลายอย่างนี้ถ้าไฟคองเล็กขนาดไหนจะใช้น้ําใช้กลวดดับเพลิงใช้ถังแก๊สอะไรก็แล้วแต่เถะนะที่ว่าหรือจะใช้ระดับไหนก็ อ, อยู่ที่ปริมาณปัญหาอันนั้นนั้นให้ยมมองภาพตรงนั้นนี่เหมือนกันประเด็นปัญหาของโยมเนี่ยถ้าเราโยมมองกันมองเรื่องไฟพวกเหตุที่ทําให้ไฟลุกขึ้นที่เราจะดับไฟวิธีการที่จะดับสรุปแล้วตอนนี้โยมเห็นปัญหาแล้วระดับหนึ่ง รู้สาเหตุแล้วระดับหนึ่ ง, แ ล, ลงแล้วยอมวางจุดผายเราจะแก้ปัญหามีวิธีการวิธีการตอนนี้ที่ยมทําคือเปลี่ยนสถานที่พาลูกไปตามที่ต่างๆนี่เป็นวิธีการที่ยอมไงใช่ไหมวิธีการพาไปตรงโน้นบ้างอย่างนี้นเขาจำเจอยู่กับที่แล้วก็พยายามหาเรื่องใหม่ๆ ใ, ให้ฟังเพลงให้แล้วก็แล้วแต่ที่ยอมมีวิธีการที่ยมนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ประเด็นคือถามว่า ตอนนี้ที่ฉันพยายามดึงกลับมาก่อนว่าตอนเนี้สภาพความรู้สึกของโยมโยมไม่สามารถเกิดความคิดได้สุดผลเพราะตอนเนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของลูกอย่างเดีย ว, วโยมดึงปัญหาของลูกมาไว้ในใจโยมแล้วลตอนเนี้ยไม่ใช่ความทุกข์ของลูกเลยอย่างเดียวนลว้เป็นความทุกข์ของโยมตอนนี้โยมเจอปัญหาเอง ปัญหาใดๆที่ลูกเคยเจอแต่ตอนนี้ยมเจอซะมันเจอมันเองแนละมองเห็นนี่อยตอนนี้โยอมเผชิญกันมาแล้วแล้วก็ความกุ้มความทุกข์ความหงอยหงอ ย, งอยที่ลูกเคยเจอทั้งหมดเหล่านี้ตอนนี้มันมาอยู่ในใจยมเรียบร้อยแต่ยมยังคิดว่าจะไปแก้ปัญหายหลูกเรื่เอเดี๋ยวนี้นมันผิดเรื่องนึงมันผิดตัวบุคคลไปแล้วถ้าที่จริงโยมต้อง ดับปัญหาตัวโอมได้แต่มนแก้ไขเป็นเริ่มเห็นไหมว่าจริงๆมันอยู่ที่โยมก่อนนะตรงนีน้มันไม่ใช่ปัญหาลูกแล้วตรงนี้แต่จริงๆชัดๆคือตอนนี้ปัญหาของโยมเหมือนถ้าพูดอุปมายอย่างหนึ่งก็คือเหมือนยอมไปเหมือนคนเหมือนคนเป็นหมอหรือเป็นคนดูแลคนป่วยเช่นคนที่ป่วยเป็นเอสหรือเป็นเป็น เป็นโรคที่โลคติดต่อ <Okay. S 1> คนที่มีภาวะโรคติดต่อจะเป็นพีดีเป็นอะไรเป็นวันโรคนี่คนที่ไปดูแลไม่ระมั้ระวัง <Okay. S 1> มันไปนติดเชื้อมาเร <Okay. S 1> ้าเห็นไหม <Okay. S 1> เพราะติดเชื้อมาเนี่ยเจ้า <Okay. S 1> คนที่ติดเชื้อไม่รู้ตัวตนเองติดก็ย <Okay. S 1> ังมีความรู้สึกว่าอยากจะไปช่วยคนเอง แต่ตอนนี้ยอมติดมาเรียบร้อยแล้วยอมติดติดเชือ้อเชือ้อก็แปลว่าอะไรความเครียดความกลุ่มความทุกข์ความหดหู่ท้อถอยความหองอยเหงาเศร้าสึ้เนี่ยกิเลสตัวนี้เขาเรียกเชือ้อแต่นี้ยอมไปติดเรียบร้อยแ ล, และติดมาแล้วกันงั้นปัญหาตอนนี้ที่ยอมจะต้องแก้ก็คือยอมต้อง กำจัดเชื้อตรวนี้ใช่ไหมกำจัดเชื้อที่โรคที่เราติดมาโยงมองเห็นไหมถ้าโยมแก้ตรงนี้ได้แล้วต่อไปโยมก็ทำตัวเีงนี่แข็งแรงนี่เข้มแข็งแล้วก็เริ่มพัฒนาข้อมูลความรู้ตั้งๆเหล่านี้ถึงเวลานั้นโยมจะไปแก้เขบได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเห็นไหมโอ้ดีดีทีนี้ประเด็นก็คือว่า เขาค่อยพูดต่อไปคือว่าทีนี้ยอมจะยอมจะออกจากความเครียดความรุ่มความหนอยวเหนีหรือความทุกขใจที่เป็นอยู่นี้ได้ยังไงยอมมีวิธียังไงเฉพาะตัวยมมอมวิธีการที่ยอมจะออกจากความทุกข์ความรุ่มยอมทํำยังไ ง, ง, ะะงหลังนก็ ยิ้มเยือ ย, ย, ยวุ่นวายเดินทางหาคอสอะไรทุกนี้นะครก็ไม่ค่อยมีเวลาสวดมนต์แต่ว่านั่งสมาธินี่ไม่ต้องพูดถึงที่เราะว่าสมัยก่อนเคยนั่งสมาธิแต่ว่าบ้างแต่ว่าตอนหลังก็ไม่ไหวใจมันไม่ใจมันไม่ไม่ไหวเข้าใจใวิธีแบบนี้ที่จะพูดที่ตรงตรงก็คือว่าบางคนเป็นทุกข์นี เป็นทุกข์หรือมีปัญหาภาษาหงอยหนาวเศร้าซึมแล้วเครียด ร, ร่วมทั้งหลายอะไรนี้แล้วไปใช้วิธีการนั่งสมาธิเนี่ยวิธีการอย่างนี้ไม่ได้ผลเหตผลเพราะมันเป็นเนแค่ไปกดกดไว้เหมืนอนโยมเอาหินเนี่ยไปทับไว้บนหญ้ามันถ้าสมาธิมันยังมีอยู่ตรงนี้มันมันพอได้เนี่ยแต่อย่ายกออกนั้นถ้ายอมยกเหมือนยกก้อนหินออกเมื่อไรปุ๊บเนี่ยหญ้ามันขึ้นอีก ทีนี้ถามว่ามีใครสักกี่คนที่จะอยู่กับในสมาธิได้ตลอดวิธีการแบบนี้มันเหมือนก็ะหืนหืนห้นทับยากันได้จริงถ้าทําสมาธิได้ได้ได้อยู่ตลอดแต่ว่าโดยชีวิตจริงมันทําไม่ได้ไงมนุษย์เราเนี่ยนันจะแปลกใจว่าหลายๆคนโดยเฉพาะชีวิตครวาญได้แล้วเนี่ยบางคนโอ้โหช่วงนี้นั่งสมาธิไม่ได้เลยช่วงนี้นั่งสมาธิไม่ได้เลยจะเป็นนี้ตลอดใช่ไหม ดั้นตรงนี้ก็คือปัญหาตรงเนี้มันแก้ได้โดยการทําความรู้ทําปัญญาให้เกิดขึ้นทีนี้ปัญญานี้เกิดขึ้นได้ด้วยหนึ่งต้องฟังให้ฟังข้อมูลภาษาพราะก็เรียกว่าสั่งข้อมูลของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยยอมต้องฟังทฤษฎีฟังเรื่องนี้ให้เข้าใจา ต้องฟังให้เข้าใจเลยนะเข้าใจที่เรียกแค่สุตตะอย่ยงเดียวไม่พอแล้วต้องพัฒนาไปถึงสุตตะภาษาภาคเรียกมายาปัญญาต้องคือว่าฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจชัดคือฟังแล้วได้ได้ไอเดียได้ความคิดขึ้นมาเลยว่าเข้าใจคทีเดียวอย่างตงัวนี้นิยมื่องฟังแล้วประการต่อมาโยมต้องเอาไปทบทวนจนเกิดเห็นจนชัดขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นแล้วรอบขึ้น นั่นหลักเข้าหนเข้าก็คือถ้าอุปมาก็คือว่าข้อมูลเนี่ยเหมือนโยมไปเอาอาหารมาไปซื้ออาหารมาเนี่ยแล้วเอามาเก็บไว้ในตู้คือโยมเก็บข้อมูลไอข้อมูลอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโยมบางทีเอามาวางวางๆไว้เนี่ยแต่ไม่รู้รายละเอียดว่าอาหารประเภทนี้มันเหมาะสมอย่างไรเก็บไว้กี่วันทั้งหลายอะไรนี้อันนี้นี่เป็นข้อมูลรวม ประการต่อมาโยม ต, ต้องต้องมาวิจัยแยกแยะจะถึงว่าตกผลึกว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายยังไงช่วยเป็นกลุ่มวิตามินตัวไหนแร่ธาตุตัวไหนมันจะให้ไขมันเพิ่มเติมสภาพร่างกายแข็งแรงยังไงแก้โรคอะไรเป็นตัวเหล่านี้อันนี้ด้านควิเคราะห์จนถึงด้านลงมือทําก็คือเอาข้อมูเอาผักเอาอาหารเหล่านั้นมาทำทำทำเส็จเสร็จพวกแล้วกินเข้าไปจะร่างกายแข็งแรงได้ใช่ไหมประเด็นต่างๆตัวนี้โยมมาวันนี้โยมต้องฟังอะไรตนี้ ข้อมูลนึงว่าจะหนึ่งก็คือว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่โยมเจอเนี่ยถ้าโยมพัฒนาหรือฟังข้อมูลพิบขึ้นมาถ้าโยมได้ปัญญาขึ้นมาพิเนี่ยความทุกข์มันจะหายเมื่อโยมเหมือนโยมขับรถนี่แหละขับรถถ้ามันหลงทาง จิตมันจิตมันตันมันไปไม่ได้มันรู้จะไปทางไหนมันก็วนอยู่ในอะไรวนอยู่ในโลกความทุกข์นั่นแหละแต่ถ้ามันเห็นทางออกอาการว่าเห็นทางออกได้เมื่อไหร่มันมีปัญญาความรู้ความเข้าใจมันนาจิตเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะมันจิตมันเดินได้ฉะั้นเ่อจิตมันเดินได้ในความทุกข์มันจะคลายพอจะเข้าใจไหมทีนี้ประเด็นคือสิ่งที่อยากจะบอกโยมตรงนี้ก็คือว่า โยมจะออกจากความกัดกรุ้มและความทุกข์ใจนี่เองนะจริงๆโยมไม่ต้องไปทําอะไรกันเลยความทุกข์ความเครียดความกรุ้มความโมโผดท้อถอยจริงๆโยมไม่ต้องไปทําอะไรกันเลยเพียงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องละเราจะต้องกำจัดให้หมดจีต่อรู้แค่เนี้ยและปัญหาทั้งหลายเหล่านี้โยมก็ต้องใช้ข้อปัญญาเข้าไปรู้ แล้วยมบางจุดหมายตัวเองว่าฉันยอมได้ตั้งใจไหมว่าฉันจะออกจากความทุกข์ความรุ่มความหงอยเหงาเศร้าซึมนี้ให้ได้ยมยมยมต้องตั้งใจแบบนี้ยมต้องมีกำลังเพื่อกำลังใจข้อแรกคือยอมต้องมีอะไรความเชื่อมั่นยอมเชื่อมั่นตนเองไหมว่าจะสามารถออกจากตรงนี้ได้เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นเชื่อไหม ทีนี้ที่เชื่อมั่นเนี่ยยอมเอาความเชื่อมั่นไปฝากไว้กับใครถามยอมไหมไปฝากไว้กับใครยอมถึงมั่นใจว่ายอมจะเดินออกจากความทุกข์ความ deep, ทุ่มหือความทุกข์ใจทั้งนี้แนละ้วยอมเอาความเชื่อมั่นไปฝาก ไ, ว, าากไว้กับใครอตงกจริงๆแล้วเนี่ยยอมจะต้องเอาความเชื่อมั่นไปฝากไว้กับปัญญา <ạ? S 1> ปัญญาของพระพุทธเจ้า ให้ยอมตั้งความรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งไม่ใช่เราไม่มีที่พึ่งเรามีสารณะไม่ใช่เราไม่มีสารณะเรามีหลักในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ไม่มีหลักเรามีใครเป็นที่พึ่งเรามีพระเจ้าเราเรามีใครเป็นสารณะมีพระเจ้าเป็นต้นแล้วเรามีใครเป็นหลักมีพระเจ้าเป็นหลักทีนี้พอมีพระเจ้าเป็นหลักเนี่ย ยมตั้งเอาความเชื่อของยอมไปฝากไว้ในปัญญายานของท่านถ้ายอมยอมมีความเชื่อ ม, มั่นตรงนี้ปุ๊บขึ้นมายอมจะมีกําลังใจเอาเราจะไปทุกทําไม่ยอมต้องตั้งหลักอย่างนี้ก่อนเนอะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เรามีสาระเนี่ยเป็นหลักเป็นเครื่องดำํนำนำําชีวิตเราฉะนั้นตอนนี้เราก็เอาความเชื่อของเราเนี่ยไปฝากไว้กับปัญญาของพพุทธเจ้าสิ ไปฝากไว้กับพระธรรมของท่านสิไปฝากไว้ในหมู่ของอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสิถ้ายอมฝากไว้อย่างนี้ปุ๊บยอมได้กำลังใจได้ยังได้ระดับหนึ่งนะพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไงพระเจ้าบอกว่าดุก่อนบอกทั้งพิษุบอกทั้งพิษูรีบอกทั้งอุบาสกและบาสิกามันเลาบอกว่าเวลาใดเธอเกิดความทุกข์กรุ่มเหงาหงอยเศร้าซึม แล้วว้าวถดถอยหมดกําลังใจเวลานั้นให้เธอระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงเรารละลึกยังไงรละลึกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าเป็นพระอรหันต์ไหมเป็นพระอรหรันตสามมาสังพรทเจ้า พระเจ้าเนะี่ยมีปัญญาถ้เเาเรียกว่ามีภาษาปัญญยุตยานมีพ่อปัญญายานแล้วพระเจ้านั้นด้วยการที่พระเจ้าพัฒนาปัญญาจนเข้าถึงความสูงสุดแล้วเอาปัญญาของท่านไปกำจัดกิเลสคือความโรคโกดหลงโดยความเพราะความหมวเหงาเศร้าซื้อมเนี่ยละอาหารกิเลสเหล่านี้หมดจากกระแสชีวิตแล้ว พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้หมดจดไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดไม่มีความรุ่มแล้วพระพุทองค์พัฒนาปัญญากำจัดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพระพุทธเจ้ายังมีพระมหากรุณาที่คุณด้วยนะหนึ่งมีพระปัญญาคุณที่กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้สองมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดสามมีพระมหากรุณาที่คุณเอาละเราเอาความเชื่อไปฝากไว้กับปัญญาของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีปัญญา เชื่อมั่นพระุเจ้าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีมหากรุณาที่คุณกับเราพอยอมเชื่ออันนี้ปุ๊บเนี่ยยอมมีหวังแล้วแต่เนี้ยก็ตั้งความคิดว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าเมื่อตั้งใจฟังแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าบอกวิธีการอย่างไรเราจะจําวิธีการเหล่านั้นบอกข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะเอาข้อปฏิบัตินั้นไปปฏิบัติและเราจะได้หมดจาก ปัญหาและอุปสรรคแล้วพอยอมเอาความเชื่อไปไว้กับพุทธธรรมะสังนทายนี้ปุ๊บยอมเริ่มเริ่มเห็นทางยังใช่ไหมเนี่ยได้ได้ได้ความเชื่อมั่นได้ความเชื่อมั่นแต่ก่อนยอมบอกว่าเชื่อตนเองตนเองมันไม่มีใช่ไหมตนเองมันก็มันก็หมุนเลยทีเนี้ยมันก็หมุนเลยทมันไปไได้ทีนี้ พอเราไปเชื่ อ, อนี้ปุ๊บเอาและวันนี้เรามีโอกาสเจอพระสงฆ์เป็นบุญแล้วเราติอึกอย่างนี้นะเมื่อเป็นบุญของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จะไม่ได้มาบอกเราไงพระสงฆ์เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของธรรมะและ้วเป็นตัวแทนของสังฆะท่านจะต้องเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําและทรงบําเพ็ญ จนสามารถกำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้กำจัดปัญหาได้มาบอกแกเราท่านจะเอาวิธีการเหล่า น, นั้นมาบอกแกเราถ้ายอมตั้งความรู้สึกอยู่านี้ปุ๊บยอมได้กำลังใจไหมเออตรงนี้สำคัญไอ้กำลังใจตรงเนี้ยสำคัญที่สุดภาษาภาก็เรียกศรัทธากาลังใจตรงเนี้ยภาษาพาก็เรียกว่าศรัทธาความเชื่อมัน่นทีนี้ประธานต่อมายมเชื่อมัน่นพระพุทธเจ้าไหม เชื่อไหมเชื่อมั่นพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถออกจากกิเลสและกองทุกข์ออกจากปัญหาและอุปสรรคได้ละได้หมดเสแล้วเชื่อมั่นในธรรมะหลักการกฎความจริงหลักความจริงที่พระเจ้าทรงบอกไหมว่ากฎความจริงเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้เอาไปปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถพ้นจากปัญหาและอุปสรรคได้จริงเชื่อมั่นตรงนี้ไหมแล้วเชื่อมั่นกลุ่มสังฆาที่ท่านพ้นจากกองทุกข์พ้นจากกิเลสเหล่านี้ไหม เ, เราจะเชื่อมั่นเลยแล้วย้อนกลับมายอมเชื่อมั่นตนเองไหมว่าจะสามารถฝึกหรือพัฒนาปัญญาของตนเองจนสามารถเข้าไปรู้ความจริงตรงนั้นแล้วออกจากคัญหาภาษาได้จรงิงเชื่อไหมเชื่อพระเจ้าไห ม, มว่าพระเจ้าค้นทุกจรงิงพ้นปัญหาภาษาจรงิงเชื่อธรรมะที่พระเจ้าทรงตัดสรู้ความจริงเอามาเปิดเผยว่าสามารถนําไปปฏิบัติแล้วค้นทุกได้จรงิงเชื่อธรรมะไหม เชื่อสังฆะไหมม่วเรียสงทั้งหลายที่ท่านพ้นจะกิเลสและวองทุกข์จริงแล้วเชื่อมั่นตัวเองนะมเดไม่อเชื่อเออีเนี่นี่เรื่อเหมือนเนื้อเ่าใจฟังพระอาจารย์เดี๋ยวจะเชื่อเพราะตรงนี้ยอมยอมเชื่อพระเจ้าแล้วก็เชื่อธรรมะที่พระองค์ทรงบอกด้วยว่าหลักการนี้ดีจริงๆแต่พึ่ปฏิบัติตามแล้วเราจะแล้วก็แล้วเชื่อไม่ ท่านสังเกตุไหมท่านัญญากรนัญญาเพนเต้น์เหล่านี้มูอริย์สงสาววกเยอะแยะหมดเลยทั้งวาสุกไบสกายอีกมากมายพอเพืปฏิบัติแล้วก็ค้นกับปัญหาอุปสรรคยิ่งที่ยงเจออยู่เนี่ยมาเล่าให้ังนั้นนางปต a จ a ลายอมเคยรู้ประวัติไหยนางปต a จ a ลาเนี่ยเธอเป็นลูกของขุหับดีเศรษฐีแล้วต่อมานี่นะเ อ, อเธอหลงรักกับคนใช้ คนใช้ผู้ชายในบ้านเธอก็เลยหนีพ่อแม่ไปเลยตามกับคนใช้ค่ะโอหเป็นลําบากลําบนเลหนีไปอยู่คนละเมืองเลยเธเนี่ยพอไปอยู่กับคนจนก็ไปทํานาทําไร่ทำํทำเนี่ยอยู่ในป่าอยู่ในบ้านนอกเลแล้วที่สุดจริงๆต่อมาเนี่ยเธอก็ตั้งครรภ์ก็คิดถึงแม่ที่เป็นพ่อตอนปวดท้องตอนทรมานเนี่ยก็เคยอยู่สบายมาไม่ทันก็ทอด ก็หาให้คิดถึงกันพอคลอดพอตั้งครรภ์นคนที่สองอีกแกก็คิดเธอก็คิดอยากจะกลับไปบ้านก็บอกสามีบอกว่าเนี่ยพ่อแม่คงให้อภัยแล้วกลับไปเลยสามีก็ตามใจก็เดินลัดป่าเข้าไปในป่าใหญ่เพอจะลัดก็ไปเดินผาเดินไปอีกเมืนนึ่งในยุคนั้นเดินพอไปถึงกลางป่าตกค่ำค่ำมืดมืดหน่อยฝนยตกเธอก็ปวดท้องจะคลอดเนี่สามีก็ไปหา ไปหาอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยพอไปก็ไม่ขับมาเลยเธอต้องทรมานอยู่บนอยู่บนปะในป่านั่นเนี่ ย, ยแล้วก็คานอย่างนี้นะคุกเขา่าแล้วก็คว่ำหน้าอย่างเงี้ยพอ่อดออกมาเป็จเสร็จปุ๊บต้องทําเองหมดอาศัยฟ้าที่มันแลบแฟร์ฝนจ ะ, ะ, ะ ต, ตกเนี่ยตัดสายจะดึงลกตัดสายลกอะไง ย, ยแล้วก็เอาลูกมากอดต้องอกลูกคนเล็กคนโตเข้าไว้แล้วเอาลูกคนเล็กมามาทําเนี้ย พม อ, อย่างนั้นทั้งคืนเนี่ยตัวซีบอย่างนั้นเน่ออนะฝนก็ตกทั้งคืนเนี่ยนะกลัวลูกที่คลอดมาใหม่จะตายต อ, อย่างต้องประกบมันอยู่อย่างเงี้ยจนสว่างทนอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเนี่ยทุกไหมย อ, ยอมเคยทุกขนาดนี้ไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย น, น, นี่ทุกขนาดนี้เลยนะทีนี้พอสว่างขึ้นมาก็เดินจะไปหาสามี เห็นอยู่กับบนจองจองปลวกงูกัดตายอยู่นั่นทุกไหมเนี่ยแล้วหมดมีที่พึ่งไหมเทเนี้ยจะต้องเดินออกจากป่าใหญ่เนี่ยทรมานไหมล่ะทรมานมากโอ้โหเกษียรเ ส, รสนต้องอุ้มลูกคนเล็กยุงลูกคนใหญ่คนโตเนี่ยเดินเดินเดินเพื่อจะออกจากป่าได้ต้องทิ้งเนี่ยต้องทิ้งจะไปมัวทําศพก็ไม่ได้แล้วมันตายแล้วคนนั้นเนี่ยพอตายแล้วใจมันปล่อยทิ้งไหม เราจะต้องรอดให้ได้เราจะต้องรอดให้ได้เดินไปนะ้ว ก, ก็แล้ว ก, กไปเจอน้ําน้ําป่ามันไหลหลากลงมานี่ยกับกับเอร้านนทะทอทองเนี่ยน้ำมันลึกเนียแค่คอทําไงจะเอาไปทั้งลูกคนเล็กคนใหญ่ได้ไหมก็บอกลูกคนโตบอกก็รอแม่ฝั่งเนี้ยเดี๋ยวแม่บอกลูกคนโตว่าอ่ารอรอแม่ฝั่งนี้นะแล้วก็ใช้ลูกคน คนเล็กเนี่ยทูลบนทีน่สะก็เดินค่อยๆเดินไปไค่อยๆเดินไปน้ําก็แรงแรงพัดแรงนั้นน่งพอเดินไปไปเสร็จปุ๊บก็ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปตองห่อเขาไว้อาว่างนั่นไปตองนั่นเขาไว้ก็เอาลูกวางเขาไว้แดงๆอย่างนั้นไงก็รีบเดินตัดมาจะมารับลูกคนตนพอมาถึงกลางคลองเนี่ยไปเจ้าเหี่ยวมันเห็นนนกึก็ก้อนเนื้อไงเหี่ยวตัวอยู่ใหญ่ะ มันมันเียวก็ไปตัวเล็กๆไยลูกตัวเล็กมากเพราะว่าคลอดก่อนก็หนดโอ้โหเป็นไงี่ยมนเฉียวก็ไปเสียงเด็กร้องแกก็ล้อกวากมือเนี่ยไอ้ลูกคนโตนึกว่าแม่กวากมือให้โดดลงน้โดดตูมเป็นไงตนี้โอ้โหเป็นไร้องไม่รู้จะร้องยังไงแล้ว ทำไงเหลือเหลือคนเดียวก็เสือกกระสนต่ออยู่เรายังตายไม่ได้เราตายจะกลับไปหาพ่อหาแม่ทั้งนี่จะร้องอย่างนี้นะนะกระเสือกกระสนขึ้นไปขึ้นฝั่งได้เดินอีกเดินนี่ข้าวปลาไม่ได้กินแล้วพอหลุดจากป่าเข้าถึงหมู่บ้านเข้าถึงเมืองเห็นคนเดินมากระเซิร์กระเซิผมเท่า ถามเขาว่าบ้านเสษฐีเนี่ยไปทั้งไหนเขาก็บอกว่าเมื่อคือนเนี่ยฝนตกใหญ่พายุมารู้ข่าวไหมฝนรู้ไปรู้เดีงไงฝนเนี่ยต ก, กเพื่อตัวเองโดยเฉพาะเมื่อคือนเนี่ยเกิดพายุพัดซึ่งหากินล้มตอนเนี้ยทั้งทั้งเศรษฐีภรรยาเศรษฐีลูกชายคน โดนตึกทับตายตอนนี้ยังเผาเอยู่กำลังเผาเอยูอ่มหมดไหมอุมทานเลยสามีก็ตายในป่าเปลี่ยวลูกคนเล็กก็ถูกเดี่ยวเฉียวไปคนโตก็จมน้ำตายพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเผาเป็นเชิสตะกอนสติขาดพผ้าหล็กล้อบ้าไหมเห็นบ้าไหม บุกไหมบุกกระเซาะกระเซาะที่เชตวันครั้งนั้น พ, พระพุทธเจ้ามันมีประชนอยู่พระเจ้านั่งนั่งคอยนั่งคอยน า, นางประนางประทายกระลาคอยพุทธญาลคนมาทั้งนี้ นั่งคอยทีจ่จะดับทุกข์เมือเธอกะเซาอกะเซิงมาพระเจ้ากระเตือนบอกให้มีสติให้ดึงสติสัมปชัญญะกลับคืนมาฟุ้งไปเพ้อไปหมดแล้วหลุดแล้วสติหลุดแล้ ว, หลวให้กลับคืนมาเธอได้สติไหมได้สติกลับคืนมาก็มีคนโยนผ้าให้เธอก็ผ้ามาพันตามตัวคานก็ไปกราบพระบาทพระเจ้าร้องไห้ บอกว่าขอพระเจ้าเป็นที่เพึ่งให้ฉันด้วยสามีตายได้ป่าเปียวลูกคนเล็กถูกเหวเฉียวไปลูกคนโตจมน้ำตายพ่อแม่พี่ชายถูกเขาเชิงตะกอนไม่มีอะไรเหลือแล้วพระเจ้าพูดว่าไงพวะเจ้าบอกดูก่อนปตาจชาลาพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาสามสุดทัพก็เพื่อจะมาแก้ปัญหาให้ ตรงเนี้ถ้ายอมพิจารณาอยู่ว่าผู้รเรียญบำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะมาดับทุกข์ให้เรานี่แหละขอให้เราตั้งใจและเชื่อมั่นท่านเถิดเชื่อมั่นพุะเจ้าแล้วฟังหลักการวิธีการของท่านแล้วยมจะสามารถแก้ปัญหาได้ถ้ามองอย่างนี้ยอมจะเห็นว่าเธอทุกข์จริงๆ ตอนนี้ยอมมาพิจารณาดูความทุกข์ของโยมลูกยังอยู่โยมยังไม่ตายนะสามีก็ยังอยู่อาจจะแยกทางอะไรก็ว่าไปแต่ยังอยู่ใช่ไหมพ่อแม่ไั่อยู่อยเออทุกข์อีกอย่างอันนี้ก็ต้องบอกว่าน้อยกว่านางประตาจาระนะใช่ไหมล่ะนางประตาจารน์นีพ่อแม่มีพี่ชายมีน้องชายนะ มีน้องชยกับน้งสาว ย, ยังอยู่หมดไหมโอ้โห แ, oh, yeah. แต่ว่ายอมแค่เสียใจพ่อเขาเนี่ยแต่เชื่อไหมทุกอย่างเดี๋ยวก็ต้องหมดหลื อ, อใช่ไหมความจริงของชีวิตเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอยอมรู้ความจริงตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยยอมจะเห็นว่าหนึ่งพอยอมยอมเอาความพอยอมรู้เรื่องราวของนางปรตาเจลาปุ๊บยมมดัดูถ้าถามว่า มีชีวิตไหนบ้างที่ไม่สูญสิ้นต้องนึกถึงโยมแหบนพอ่อแ ม, ม่เห็นไ้มเห็นไ้ยชีวิตเออเพราะเราเกิดมนาะเป็นมนุษย์เราเจอความจริงกันตรงนี้แหละเออถ้ามามองนี้ปุ๊บเนี่ยเอาละตอนนี้เราเริ่มจะเห็นนะว่าอ๋อทำไมลูกเป็นแบบนี้ถ้าไปต่างและวจะนั่งกระจา แต่ทำไมนางปตานางปตาจราเจินหนักขนาดนั้นแล้วเธอเนี่ยปั่นปวนในใจกบหลุดเลยหลุดเลยไม่รู้สึกตัวแปลว่าแปลว่าหลุดเลยนะเนี่ยขนาดหลุดขนาดนี้ยัออยงดับทุกข์ได้นะแก้ปัญหาได้แล้วต่อมาเธอแก้ได้จริงๆแก้ได้ถ้าในกรณีอย่างเราเจอเห็นหว่า ความทุกข์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต่างกันเลชีวิตของคนทุกคนไม่ต่างกันนั้นถ้าถ้ายมมองในเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยยอมจะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่คือความจริงการทัดท่าการจากจากเป็นก็ได้จากตายก็ได้และความเป็นไปต่างๆของมวลมนุษย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้หมด เราเห็นแล้วว่าเห็นไหมสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเราไม่สามารถไปกากับหรือไปคอนโทรลมันได้จริงๆลูกทุกคนยอมรับเกณฑ์ไปสิลูกทุกคนก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ยอมต้องการเลยเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาไม่ใช่เฉพาะลูกคนเล็กแต่เพราะอะไรถ้าเราเอาปัญหาข้างนอกซึ่อยู่กับลูกอะ มาใส่ไว้ในใจเราแล้วก็หมุนบ่อยๆมันก็กลายเป็นปัญหาในใจคนเป็นปัญหาในใจทุกโยมทันทีเลยทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มันนอกตัวด้วยที่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาไม่ได้ฝึกหรือไม่ได้เรียนรู้เขาไม่ได้มีวิชาในการที่จะไปเรียนรู้ในการที่ความเปลี่นไปของชีวิตเมื่อเขาอยู่ในสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่เขาไม่ชอบใจเขาไม่ถูกใจเขาก็ไปถูกกดดันบีบคั้นเขาอยู่กับความรู้สึกเขาได้แต่ความรู้สึกชอบและไม่ชอบโดยเฉพาะความไม่ชอบมันมากขึ้นมามันมาปรุงแต่งในใจเขามากขึ้นมากขึ้นแล้วเป็นยังไงนะเขา้านะเขา้าเกิดภาะวะความเครียดความกัดกรุมขึ้นมาเขาก็หลุดตอนนี้เขาก็หลุดเป็นระยะระยะจนรู้สึกว่า ทำอะไรไม่ถูกแล้วที่สุดจริงๆก็เริ่มที่เขาเรียกโรกซึมเศร้าเลยก็ว่าไปทําร้ายตัวเองซึ่งเราก็ได้ข่าวเยอะแยะว่าตอนเนี้สภาพสังคมเนี่ยเห็นได้ชัดหนึ่งเขาแปลกแยกใช่ไหมแปลกแยกกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเขามีความสามารถจะมีความสุขกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้สองแปลกแยกกับเพื่อนมนุษย์เขาอยู่กับพ่อแม่ปู่ตายายายาอยู่กับเพื่อนเขาไม่มีความสุขเลตอนนี้ ประการที่สามแปลกแยกหยักกิจกรรมของชีวิตเขาทําอย่างเลื่นลอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะขับถ่ายคู่เหยียดก้มงอกินดื่มเที่ยวลิ้มทายทะละักปสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดไี่เข า, าเขาดาเนินกิจกรรมได้ไม่เลือะเรือนแล้วเริ่มปั้นเต๋าอันนี้แปลว่าเขาแปลกแยกทั้งสามส่วนหนึ่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเขาไม่สามารถจะมีความสุขกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ สองตับเพื่อนมนุษย์เ้าก็แปลแ ก, ก่ไปอยากคุยไม่อยากสนทนาอะไรต่างนี้สารกิจกรรมของชีวิตฐานความสุขเขาพังทั้งสามฐานเลยนิยมย้อนกลับมาดูตัวโยมเลยนี้เอาละนิยมยังมีความสุขธรรมชาติสิ่งแวดล้ลอมอยู่มแสงลมแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าเดียวไปแล้วโยมยังมีความสุขกับมันอยู่ไหมโนลงไป อ่าแเลยตอนนี้ยอมก็ไปอยู่กับสิ่งเสียบแล้วว่าไปกับเพื่อนมนุษย์ยอมมีความสุขกับการคุยกับย้มแบนคุยกับได้ต่างๆอันเนี้ยรู้สึกมีความสุขกับการได้ทําได้พูดคุยสนทนาเพื่อาอาทรซึ่งกัน เ, เพื่อเพื่อเผื่อแบบยังนี้อยู่ไหมยังยังนี้อยู่บ้างอยู่ไหมแล้วกิจกรรมของแล้วกิจกรรมของชีวิตเในการที่ทํากิจกรรมต่างๆยอมมีความสุขกับการได้ทําหน้าที่อยู่นะ ก็มีถ้าทำให้ลู ก, ลกสองคนก็ยังพอมอยู่แต่ลูกคนนี้ยิงทำก็ยิ่งเหนื่อยเหมือนอกันเหมือนกัจะเอาภยทเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ถูกเขาทให้เขาแต่นแต่ว่าเขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกว่าเรามีความพยายาที่จะทาให้เขาตรงนี้ชี้เห็นว่าจริงๆก็คือตอนเนี้ย โยมเริ่มไม่ค่อยมีความโยมฐานความสุขโยมก็หมดหมดไปเยอะเห้ือนกันตัวโยมเองต้นของลูกในหมดแล้วตอนนี้เริ่มหมดจะเอาเขาไปอยู่กับทะเลอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่ป่าเขาเที่ยวทุ่นเทนี้เขาไม่ได้กวามสุขเลยก็ไม่ได้ฐานความสุขเขาพังเลยแล้วฐานนี้เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เขาไม่สามารถอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขได้ที่ฐานความสุขฐานแรกก็พังไปแปลกแยกครับ เขาเป็นมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติเขาควรจะอยู่กับพ่อแม่ปู่ตาย า, ยาญาติญาติที่น้องอาจจะมีความสุขนิฐานที่สองก็พังนี่ฐานที่สามก็คือกิจกรรมของชีวิตเรียนอย่างมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขหรือทำงานกิจกรรมต่างายืนเดินนั่งนอนอย่างมีความสุขฐานที่สามก็พังมนุษย์เนี่ยถ้าสามฐานพังเนมนุษย์หมดแล้วอา้าวไปอยู่กับสิ่งเสพสิ่งเพสงเพก็ตอบสนองเขาไม่ได้ ทุกวันเนี่ยมนุษย์จริงๆมนุษย์ส่วนใหญ่พังหมดแั้วนะสามฐานแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งเสพแล้วก็เปลี่ยนสิ่งเสพก็ได้เรืยๆยอมเริ่มเห็นนี่ยังและฐานความสุขของเราของโยมเองก็เหลือน้อยเลยอาจจะตอนนี้เอามายังไม่เข้ารายละเอียดตรงนั้ น, นแต่ว่าเริ่มมามองเห็นว่าอยากให้โยมตั้งหลักว่าหนึ่งเชื่อมาก บริจาคยอดทุกๆรา ย, ยตั้งใจฟังหลักการของทุกคนและมีมีเรื่องเดียวมีเรื่องีเรื่องดียวมีคำสอนอย่างเดียวมันจะอยู่ไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้เพราะมันไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องร่างการแต่ปัญหาด้านจิตใจเขาเป็นใน ต, ตอนนี้โยมก็รังเดินตามก็อยู่ ตอนนีโ้โยมเดินตามเขาเลยนะเดินตามใกล้ด้วยโยมเดินตามครับโยมไม่ชอบพฤติกรรมเขาอย่างไรสิ่งที่โยมไม่ชอบโยมเรียนแบบโดยไม่รู้เรียนเขาเครียดเขากลุ่มเขาฟ้าววีเราไม่ชอบเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้นแต่ความเครียดความกรุ่มความหัวยข้งความฟ้าววีมันเข้าในใจ วิธีการียอมเห็นปัญหาแล้วนะที่พูดมาทั้งหมดเริ่มเห็นแล้วก็ปัญหามันเกิดขึ้นเหตุผลก็คือยอมใช้ความสามารถผิดยอมเอ า, าความสามารถของตนเองแทนยอมไปเอาความทุกข์ของลูกมาใส่ไว้ในทุกข์ของโยมในใจโยมแล้วยอมก็มาปรุงแต่งทุก จากในน้อยให้มันมากคิดแล้วคิดอีกหมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกกลายเป็นทุกกองโตแล้วโตวขึ้ น, นเรื่อยๆอันนี้แปลว่าโยมใช้ความสามารถในการปรุงแต่งทุกคือมันเหมือนจะแก้ไม่ออกใช่ไหมคะแก้ไม่ออกเพราะหมุนอยู่แล้วแล้วยิง่ยงติดยิ่งหมุน จริงๆตรงนี้ยวิธีการก็คือว่ายอมต้องต้องใช้ความสามารถมาแทนที่ยอมจะปรุงแต่งความทุกข์เดมก็ต้องมาปรุงแต่งความสุขให้เกิดขึ้นสุขเยอะอย่างนไ่ในขณะที่เราเจอสายตาแม่กลางยอมมองไปที่ลูกคิดไปที่ลูกปุ๊บถ้าใช้ความรู้สึกอย่างเดิมเดิมยอมก็ทุกข์ ยอมนั่งอยู่อย่างนี้ยอมคิดถึงเข้าทุกข์ไหมทุกข์ไหมแล้วคิดใหได้ไหม่ทุกข์ได้ไหยได้ั้ยค <laughs> ือ <c ười> วิธีการอย่างนี่ว่า <h Mic> ให้ตั้งความรู้สึกอย่างนี้ตั้งเจตนาตั้งความตั้งใจว่าเอาละเราจะหนึ่ง เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเราได้หลักเราเชื่อมั่นในคําสอนที่ท่านบอกเราเชื่อมั่นในหมู่อริยสงฆ์ที่ท่านออกจากปัญหาออกจากความทุกข์ใดดังที่เล่ามาทั้งหมดเพราเชื่อมั่นอย่างนี้ปุ๊บยมเอาความเชื่อมั่นที่ไปเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าย้อนเอาความเชื่อมั่นนั้นมาเชื่อมั่นที่หลักถ้าโยมบอกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าแต่โยมไม่เชื่อมั่นโดยเองแปลว่า ยอมไม่เชื่อมันม่นพุทธญาติยู่เพระพรพุทธญาติบอกว่าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แปลว่าอะไรไม่ไม่มีความเชื่อมัน่นฝึกให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นได้งอยเหงาเศร้า ซ, าซึมเนี่ยไม่กล้ า, ลาไม่อาถรรฝึกให้เป็นคนกล้ า, ลาอาถรรได้ฟัน่นเฟือนเลือนหลง เลอะเลือนฝึกให้เป็นคนมีสติมีสติปัญญาได้ฟุงสร้างลาคาญใจฝึกให้เป็นคนมีสมาธิได้ไม่มีปัญญาฝึกให้มีปัญญาได้พระพุทธเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นกําลังใจไหมพระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองยอมเป็นมนุษย์เลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ สัตว์ที่มีความทุกข์เนี่ยฝึกตนเองพัฒนาตนเองให้ออกจากความทุกข์ได้อยากไม่รู้เนี่ยฝึกตนเองให้เข้าถึงความรู้ mm hmm. ได้อยากอ่อนแอฝึกให้เป็นคนเข้มแข็ง hmm. <Geez. S 1> ได้อยากไม่อดทนฝึกให้เป็นคนมีความอดทนได้ไม่อาถฐาน้วยกล้ากล้าฝึกให้เป็นคนอาจฐานกล้ากล้าได้จมอยู่กับความทุกข์สามารถฝึกพัฒนาตัวเอง เ, เดินออกจากความทุกข์ประสบความสำเร็จได้พระธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ยอมเชื่อไหมพระเจ้าผู้จริง พยอบมนุษย์เป็นสัตว์ที่สุดได้มีกําลังใจไหมถ้าได้ยินแบบนี้เออได้กําลังใจใช่ไหมเอาแล้วเราเป็นมนุษย์เหมือนพระเจ้าเป็นเป็นมนุษย์เหมือนกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายสาวกพระเจ้าก่อนทั้งอุบาสกบาสิกาในสมัยก่อนแล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนนางประตาจราเธอเป็นนั่นแหละแต่เธอออกจากความทุกข์ออกจากความกัดก้มออกจากปัญหาอุปสรรคได้เนี่ยพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝุกได้ นี่เป็นอะไรเป็นกำลังใจส่วนคำว่าต้องฝึกอนี้เป็นอะไรเป็นหน้าที่ <c oughs> ใช่ไหมเออฝึกได้นี่เป็นกำลังใจต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่แปลว่ายอมพร้อมที่จะฝึกไหมพร้อมม <c oughs> อ่มแต่พร้อมอย่างนี้มันได้ไงยอมก็ตั้ง เ, เจ็บเจ็บจานงเลยฉันจะเดินออกจากความทุกข์ให้ได้ฉันจะฝึก ฝึกทั้งพฤติกรรมโดยเฉพาะจิตใจของตัวเองให้ออกจากความหดหู่ท้อถอยให้ได้ออกจากความหงอยเหงาเศร้าซึมไม่ได้ออกจากความอ่อนแอเข้าสู่ความเข้มแข็งให้ได้ออกจากการหลงลืมสติให้มีสติกำกับอยู่กับตัวให้ได้ออกจากความฟุ้งซ่านให้เป็นคนมีจิตตั้งมั่นได้ออกจากความไม่รู้ให้เป็นคนรู้ให้ได้เจ็บไหมเพราะพระพุทธเจ้าบอกเราแล้วว่าเราฝึกได้เราพัฒนาได้เราประสบความสําเร็จได้อันนี้เป็นกําลังใจต้องฝึกนี่เป็น หน้าที่ฝึกได้เป็นกําลังใจต้องฝึกเป็นหน้าที่มองอย่างนนี้่อ๋อแล้วแต่เนี้ยเนะทีนี้พอมีมีก่อนหน้านั้นยอมยอมแม่ว่าไม่เชื่อมันตอนนี้เชื่อไหมถ้าเชื่อแล้วพระจะบอกวิธีถ้าไม่เชื่อี่ก็ต้องมาพูดตรงนี้ใหม่ว่าเออมันชื่อเชื่อ กี hoy, hoy, hoy, hoy, Ay, hey, ่เปอร์เซ็นต์กาอ็ไมเผื่อไว้ทั้งสเอร์เเผื่ออะไรมันยังเหนื่อยใจอยู่ยัมจะซื้ไหวหรือเปล่ายอมเอาอะไรไปซู้ก็มันเอาต้องเอาคัาชื่อใ้คนเราจะา ย่อมกลัวปัญหาย่อมกลัวปัญหา<ฆ>ควิธีแก้ปัญหามีแก้มันแก้สามแบบ <S <S 1> <S 1> ไม่รู้ย่มอมแหวนแก้แบบไหน <S <S หนึ่ง <S 1> <S 1> หนึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนเจอก็แก้ไขไปเฉพาะหน้าเมื่อปัญหามาปัญหาวิ่งเข้ามาชนอะไรก็ทำทำทำทำไปถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างอะไรไม่รู้ บางอย่างก็ผิดบางอย่างก็ถูกไม่ได้เตรียมการไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรเลยนี่คนประเภทที่หนึ่งพูดแบบยอ่อๆย่อเป็นประเภทนี้ไหมเป็นบ้างางแผนเป็นหมเป็นไหมอันนี้แก้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองแก้แบบร้อนลนเป็นคนที่คิดวิตกกังวล เป็นคนที่คิดวิตกกังวลว่าจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้โอ้โหเตรียมการแยะ่ๆะะถูกกิเลสบีบคัน้นทุกข์เครียดกุ้มเป็นนะเครียดกุ้มว่จะต้องอย่างนั้นเดี๋ยวอนั้นเกิดขึ้นจะทําอย่างนั้นว่นั้นเกิดขึ้นโอ้โหวิตกกังวลในอนาคตในผลที่ยังสลักการที่ยังไม่เกิดแต่ว่าคิดวิตกกังวลไว้ก่อนแล้วก็เตรียมวางแผนไว้ทุกช็อตเลยนะ เ, เออแก้ได้เหมือนกันคนเราเองเนี่ย แต่ว่าไม่มีความสุขในชีวิตเพราะแก้ด้วยความกลุ้มแก้ด้วยความเพียรถูกที่เด็ดบีบคั้นผักดันกดทับตลอดเวลาแต่แก้ได้เหมือนกันด้วยความวิตกกังวลด้วยความกลัวนี่แหละกลัวปัญหาอุตสา ร, ร์ทั้งหลายเป็นประเภทที่สองเป็นไหมเป็นค่ะเป็นไหม <c oughs> เป็นน้อยลงเป็นน้อยลงนะโอเคดีคือเอาปราะเภทที่สาม ประเภทที่สามก็คือกลุ่มนี้เป็นการแก้ปัญหาแบบชนี้ที่ว่ามีปัญญารู้เท่าทันมีสติสามประชัญญามีสติกำกับอยู่กับตัวพิจารณาดึงข้อมูลในอดีตเรื่องราวทั้งหลายมาวิจัยมาแยกแยะแล้วก็ดูคอยเห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นผลในปัจจุบันเห็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรู้เลยว่ามาจะเหตดอะไร และรู้เหตุปัจจุบันรู้ว่าเหตุถ้าเป็นแบบนี้ทำเหตุแบบนี้รู้เลยผลในอนาคตอะไรจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเห็นผลก็สามารถสาวไปหาเหตุได้ว่ามาจากเหตุอะไรเช่นเห็นคนประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างเงี้ยเหมือนโยมเนี่ยมีความทุกข์ความเดือดร้อนแบบนี้ลูกโยมมีความทุกข์ความเดือดร้อนแบบนี้รู้เลย นี่นะถ้าสาวให้เหตุว่าโยมสร้างเหตุอะไรมารู้หมดไปซ้ําเหตุอะไรมาถึงเป็นแบบนี้ถึงได้รับผลการจะทําแบบนี้ในปัจจุบันมีกระบวนการคิดอย่างไงมีมีกระบวนการคิดอย่างไงมีทัศนคติอย่างไรมีสภาพจิตใจอย่างไงมีพฤติกรรมอย่างไงโยมจึงต้องมาอยู่ในวันนี้ได้หรือลูกที่ได้รับผลอย่างนี้รู้เลยว่าสร้างเหตุอะไรมาจึงได้รับผลแบบนี้และรู้ด้วยว่าในขณะที่ทําเหตุแบบนี้ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนสายน้ําไม่เปลี่ยนกระแสความคิดเนี่ย รู้เลยอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเรายอมจะเป็นเย่งนนมองเห็นหมดเลยนี่มองเห็นด้วยปัญญาการมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จะมีปัญญาที่มองอดีตมองผลในอนาคตสาวหาเหตุใน่ดีได้มองเห็นในปัจจุบันรู้ผลอะไรจะเกิดในอนาคตพอรู้ความจริงอย่างนี้ก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็สร้างเหตุที่ดีงามที่ถูกต้องเพื่อผลที่ดีเลิศในอนาคตป้องกันอันตราย เกติที่ไม่ดีไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะไม่ต้องการผลที่ไม่ดีในอนาคตที่มันเกิดแก้ไขในปัจจุบันวางแผนจัด ก, การด้วยความรู้ด้วยความสุขด้วยสติด้วยสมปชัญญะด้วยความรู้ด้วยความเท่เาทียด้วยความแล้วด้วยจิตที่สงบและเยือกเยียนอันนี้คนประเภทที่สามยอมเป็นประเภทไห น, นสองกันหที่หนึ่ก็จแบบที่สอง แบบที่หนึ่งนี่ต่อยมวยวัดมาตลอดใช่ไหมถ้าแบบที่หนึ่งมันประเภทที่เฉพาะหน้าถ้าแบบที่สองก็แก้ไขด้วยแบบร้อนรนตูกิเลสบีบคั้นถ้าแบบที่สามนียมต้องพัฒนามเราจะแก้ปัญหาแบบที่สามโดยการที่เวลาเห็นผลณปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไร เรารู้สาวหาเหตุได้ว่าคนนี้ทําเหตุอะไรแต่ไม่ใช่คิดเองถ้าคิดเองตอนนี้คิดยังไงยังไม่รู้อย่งต้องฟังพระพุทธเจ้าฟังข้อมูลดูอย่างยกตัวอย่างอายกให้เห็นเลยว่าอาการของลูกที่เป็นที่เป็นแบบนี้ถึงข น, นาดตื่นตัวเองทําร้ายตัวเอง อาการที่เขามีการปะทุสลายตัวเองไม่อยากเจอผู้คนเงาเงาเศร้าซึ้งไม่อยากทําอะไรไม่อยากให้มีใครมายุ่งอยู่กับโลกส่วนตัวอยู่กับส่วนตัวแล้วในที่สุดจริงๆเนี่ยตัเองก็หาทางออกได้จริงๆมาจากอะไรอ๋อมันมาจากกิเลส ต, ตัวหนึ่งซึ่งมันมาจากความผิดหวังไอ้ความที่เขาผิดหวังหลายๆเรื่องบางคนก็แค่สองเรื่องสามเรื่องบางคนแค่สิบเรื่องแคนะ่นั้นเอง แต่เขาเอาสิบเรื่องที่เขาผิดหวังนั่นแหละเอามาปรุงไปพอหมุนหนึ่งรอบจากสิบมันกลายเป็นยี่สิบสามรอบเป็นสามสิบสี่รอบเป็นสี่สิบห้ารอบเป็นห้าสิบแล้วเขาหมุนอยู่อย่างนั้นแหละทั้งทั้งที่เรื่องนั้นมันหมดไปแล้วแต่เขาเอาความผิดหวังมาปรุงในใจของเขากลายเป็นพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งหลายร้อยหลายร้อยล้านครั้ง 3, มันยิ่งสุดสุดสุ ด, สดมองเห็นได้ยังอ๋อเพราะเขาสร้างเหตุอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขายิ่งปุงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆในที่สุดจริงๆก็ฆ่าตัวตายแล้วก็อ่านข่าวได้ยินข่าวเยอะๆคนจะไม่เกี่ยวกับมีเงินไม่เกี่ยวกับยากจนไม่เกี่ยวกันแต่เกี่ยวกับการที่เขาใช้ความคิดประทุษสลายตัวเองตลอด แต่เขาไปโทษสิ่งอื่นมากกว่าโทษสไลด์เขาทั้งทั้งสิ่งอื่นเนะี่ยไปโทษสไลด์เขาแค่สิบครั้งสมมุติแต่เขาไปโทษสไลด์ตัวเองตั้งไม่รู้กี่ล้านกี่หลายแล้วร้อยล้านทั้งนี่เรารู้เด่เดียวอ๋อผลที่เป็นมาขนาดนี้มันมาจากเหตุอะไรมันมาจากเหตุหนึ่งไม่รู้ความไม่รู้สองก็คือความเครียดความกัดกลุ่มความหงอยเหงาเศร้าซึมความถดถอยทางจิตของเขาเข้าก็หมุนจนกลายเป็นย่ําแย่ไปเลยจากการป่วยจิต ก็กระทบถึงกายป่วยน่ะเข้ากายก็ป่วยใจก็ป่วยหมุนกันไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยหมอแก้ยังไงแก้ทางกายกอะไรเรื่องสิทีเนี้ยใช่ไหมไปแก้ได้ทางกายไปกันไม่เป็นแล้วทีเนี้ยอาการนี้มาจากอาการทางจิตแต่หมอแก้ได้ทางกายยาไม่สามารถที่ไปแก้จิตจิตได้จิตไปนำมาทําใช่ไหมมันแก้ได้โดยการอะไรบางการให้ความเขาต้องคุยกับเขาแต่นี้เดี๋ยเพิ่งบอกวิธีก่อน เพราะจริงๆม่นต้องบอกโยมก่อนเพราะตอนนี้อาการเป็นไม่เป็นที่ลูกแล้วเป็นที่โยมแล้วตอนนี้เริ่มเห็นนี่ไง น, <c oughs> <c oughs> นี่กขาเรียกเห็นผลแล้วรู้เลยสร้างเหตุอะไรและอนมาเห็นโยมทําเหตุอย่างนี้ยรู้ด้วยว่านะเขจะยอมจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเ้าเรียกว่าเห็นแค่เหตุที่ทํำในวันนี้ก็รู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับโยมอย่างนี้เขาเรียกว่ามองผลสาวไปหา มองเหตุสาวไปหาผลได้ผลในระดับที่หนึ่งเป็นยังไงระดับที่สองเป็นยังไงระดับที่สามเป็นยังไงก็มองเห็นแล้วว่านาคโยมจะประสบอะไรถ้าถ้าแก้ไขไม่ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนกระบวนการสร้างเหตุใหม่ได้เมื่อไหร่โยมพลาดเลยนะข้านะข้าจะมีคนทําลายตัวเองสองคน ส่วนใครจะทําร้ายก่อนก็อยู่ที่ใครจะปรุงแต่งได้ได้มากกว่าการใช้ปรุงแต่งแต่งความเครยียดคองมกุ้มดิงมากมากๆากมากเลย น, นิสัยจิงคนนั้นจะทําร้ายไปเองเลยก่อนยอมอยากจะเป็นอย่างลูกไห ม, ไม ย, อยลองดูไหมล่ะฉันจะบอกวิธีฉันจะบอกวิธีให้เป็นเร็วกว่าลูกเอาไหมคือลูกเป็นแค่นี้นะแต่ฉันจะฉันมีวิธีบอกให้โยมจะทํำยังไงที่โยมแซงหน้าลูกได้เลยทําได้เอาไหม ขอเอาแบบให้ให้ลแล้วไปช่วยลูอ๋อเอาอย่างนั้นโอ้โหเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่สองที่นะคะที่มีความคิดว่าตัวเองจะต้องใช้ยา ช่วยครับเพูดว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้คะเพราะท่านผมก็ใกล้ๆเป็นลูกไม่แบบตกกระจายเว่าไม่เคยบอกใครนั่นว่าถึงจุดนี้แล้วคือคือตรงเนี้ยอมมาที่พูดชี้ยมตามนี้ว่าเออผล ผลเนี่ยมาจากทีถ้าทำเหตุนี้มันจะได้ผลตอนนี้โยมกำลังเดินเดินเดินเดินช่อมที่อยู่แล้วก็จะเข้าไปสู่ผลผลี่การจะต้องใช้แล้วยมก็โยนก็โยงก็มองโยมโยมจะมองโทษปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยโยมจะไม่โทษว่าโยมทำ แต่ยอมจะไปโทษสิ <laughs> เพราะเราอยู่กับลูกเุ ร, เราาปัญหาคนนั้นทาเราคนค น, นี้ทะแล้วมนุษย์ก็จะเป็นลักษณสนี้เต็มไปหมดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะโยมเนาะจริงๆแล้วไม่ว่าโยมก็ทั่วไปแต่เย่างนี้ไปก่อนโยมแหวนก็ติดกับดักนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้โยมแหนก็ออกได้เลย เธอก็ออกได้แล้วเธอไม่กลับไปรูปนั้นอีกเลยเพราเธอรู้แล้วว่าตรงนั้นถ้าเดินไปในิสัยยิ่งก็เป็นจมตรงนั้น น, นทุกคนก็ถ้าเราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเรามีที่พึ่งแล้วเรามีสาราหน้าแล้วเรามีเพื่อนอร่ามใจเราก็เราสามารถที่จะเข้าถึงเราสามารถที่จะออกจากปัญหาตรงนี้น ยอมเริ่มมองยอมยมเริ่มมีความหวังนะไหมหวังว่าหวังว่าจะรู้ตัวเองก่อนแล้วก็จะช่วยรูปได้อืมถ้าตอนนี้ช่วยไหวไหมไม่ไหวเป็นความหวังแคะตอนนี้ก็เกิบเกิบจะแย่ไปค่ะอ๋อเกิบจะไปหันไปใช้ยา แบบที่ลูต้องใช้จากหมอส้างเนตอกเกิดเกิดเหมือนกันบมกว่ไม่ไหวแลวทำไมยมนึงบอกก็ไม่ไหวก็เป็นห่วงเราเลยคะแ้วก็แก้แล้วถ้ากินยาแล้วมันจะไหวคือกินยาแล้วเราคิดว่าเราอาจจะมีความสงบขึ้นล้วใช้สามารถคุยคุยกับเขาได้ดีขึ้นอะไรงี้ คิ่ถูกไหมจริงๆมั้ยนะไม่ถูกค่ะไม่ถูกค<ๆ>่ะก็เป็นบุญเป็นบุญทั้งยนเลยเนะที่โยมสามารถที่จะไม่ไม่ไปจมอยู่กับที่จริงเห็นไหมเนี่ยว่าพระรัตนตรัยมีค่ามากมีค่าเกี่ยกับกระแสชีวิตต้นแทร์โลกหรืออย่างเราเที่จมอยู่กับความทุกข์ซึ่ง แต่ก่อนเราก็แค่สวดมนต์อะไรแค่นั้นเองแต่เราไม่เคยเห็นมรมีค่ามากเพราะว่ามีค่ามากกว่าสัพ์มีค่ามากกว่าญาติลูกหลานญาติมีค่ามากกว่าอวัยวะมีค่ามากกว่าชีวิตเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่มีหลักการที่พระเจ้าบอกไว้ เราไม่สามารถบริษัทโลกไม่สามารถที่จะเดินออกกับปัญหาได้เลยแล้วก็จมหมุนเวียนไปนอย่งนี้จมปากโดยความทุกข์จมปากโดยความเดือดร้อนนี่เป็นอย่างนี้ครับดังนั้นถ้าในกรณีนี้โยมเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเดินกระบวนการความคิดแบบนี้นะถ้ายังเดินต่อวิธีคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆปริมาณความทุกข์ มันจะตามมาเรื่อยๆนักข้านักข้ายอมก็หันไปจมกัญาแล้วนักเข้าก็ไปต่ออีกแล้วก็เริ่มหาทางออกไม่เจอนักข้านัเข้าเนี่ยนักข้านัข้ายอมจะถ้ามีมีดมีปืนยอมจะยอมจะฆ่าเอาเพราะคนๆนนี้เขาไม่เราเป็นเบบ หรือไม่งั้นถ้าไม่มียอมจะบีบีคอเขาบีคอเขาเพราะไม่เป็นอย่างที่ยอมทำงานยอมช่วยแล้วพยายามบอกพยายามยอมเครียดกับคนตัวนี้นะกทาไมคุยไม่รู้เรื่องทําไมต้องอยู่ในห้องอะไรเยอะแยะหมดะยอมจะกระตุ้นลายเขาจถ้าขืนไปเรื่อยๆมันจะออกมุมนี้อันนี้ยันชี้ให้ดูก่อนนะว่าอะไรมันจะเกิดแค่นั้นแหละมันเป็นอย่างนี้ดีิงๆ แล้วน่ะข้าวน่ะข้าก็จะต้องมีคนมาพาคยอมออกสองคนนี้ออกจากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเห็นไม่ได้เห็นก็ป่วยนี่ตอนนี้แค่ยอมกลับไปคิดถึงเขาเนี่ยยมทุกข์มากทันทีเลยไม่ต้องเห็นแล้วเพราะตอนนี้เขาเขาไม่จำเป็นไม่ไมจำเป็น<ค>ว่าจะต้องเห็นเพราะตอนนี้เขามาอยู่ในความรู้สึกเราเรียบร้อย เขามานั่งนอนกินพฤติกรรมของเขาทั้งหมดมันอยู่ในใจของโยมเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องเห็นจับโยมไปไว้ประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้แต่ว่าเขามามีอิทธิพลในใจของโยมเรียบร้อยแล้วนี่คือปัญหา <c oughs> นี่แหละไม่จําเป็นต้องยอมไปเลี้ยงไปอยู่กับเขาตอนเนี้ยอมอยู่กับเขาตลอดนี้แล้วก็ไม่สา ม, มากแต่ ออกได้เลยถ้ายิ่งไปเห็นก็อีกบวกเลยมันไม่ใช่คนเดียวแล้วสองคนสามคนขึ้นมายมเสแล้วยอมก็มาลบอยู่กับเขาต่อไม่มีทางออกมองไปทนั่ว้าวุ้ยบางทีอยากกระโดดลงไปมันสิ่งเรื่องสิ่งเหลา่าเจอไหมละ่ะมันจบๆไปทันทีอันนี้ทุกแล้วจน นันมันหลายรอบด้วยวิธีคิดแบบนี้มันไปไม่ได้นะหรือว่าอย่างนั้นก็อชวนกันสองคนโดดลงไปเลยสิ้นเรื่องให้ย้อนมาจัดการที่เหลือลใช่ไหมล่ะเนี่ยไงว่ามันมันคิดแบบนี้ทำเหตุแบบนี้ตื้ วิธีคิดแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยผลมันจะมาอย่างนั้นซึ่งเป็นผลที่เราไม่ต้องการน่ะเขา้าน้าเขา้าเมื่อคิดมากขึ้นมากขึ้นห้ามมันไม่อยู่เหมือนลูกไงเขาไม่อยากทําร้ายตัวเองเหรอกแต่มันห้ามไม่อยู่เพราะเขาคิดคิดคิดคิดคิดหน้าเข้าเขาไม่ทำหรอกน้าเขา้าน้าเข้าทำเลยเพราะอะไรคิดจนตกผลพฤติกรรมมันเลยต้องทําตามที่คิดเห็นไหมไมาจากเหตุ แล้วผลมันมาอย่างนี้แล้วมันจะไม่อยู่แค่นี้เขาคอยระวังกันอยู่ดีเลยหมอก็ให้วิธีกินยามันนอนมันนอนแล้วก็กลายเป็นคนอย่างเนี้แต่เข้าไาอยู่เนี้น่คุยไม่รู้เรื่องนตะเข้าแต่นะเข้าคุยเรื่องมนุษย์ไม่รู้เรื่องเลยแล้วโยองก็ยังพยายามผลักดันจะให้เขาเรียนให้จบเรียนให้จบจะนึกถามว่าเรียนไปทําไม เอามาทมําไหมใบบริญยาใบประกาศเอามาทมําไหมไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไม่มีแล้วได้ใบประกาศมาก็เหมือนได้อะไร ไ, ได้เหมือนมีอะไรสิ่งต้องอยู่อาการที่คิดวกวนอย่างนี้ หรือก่าไอตัวที่เหลือเหล่านี้คือมั น, ม, น, ม, นมันมันมมีพลังมันเหมือนผีสิงเหมือนผีสิงีล้วแล้ ว, <c oughs> ลว อ, ออกไม่ได้เห่นไหมแล้ว อ, ออกไม่ได้ <c oughs> เหมือนกันไม่ต่างกัน <c oughs> นี่ยอมเริ่มเริ่มเบียดเนว่าจริงจรงแล้วทีนี้ยอมหยุดคิดอย่างนี้ได้ั้มอาจจริงจริงหยุดได้ไห เด็ดไม่ได้คือจะไม่คิดแบบเนี้ยจะไม่คิดให้มันทุกข์กินจะไม่ปั่นความทุกข์เนี่ยถามว่าสามารถหยุดได้ไห้ไย้อมยอมก็เกิดความกลัวไม่ระดับหตอนนี้ยอมรู้ระดับหนึ่งแล้วแต่เชื่อไหมถ้าบอกก็ยอมหยุดคิดนะอย่าไปคิดมากให้ฉันพูดอย่างเนี้ยวิธีนี้แก้ได้ไหมไม่ได้เหมือนสายน้ําที่มันไหลอ่ะ มันสายน้ําที่มันไหลอะยอมไปห้ามไม่ให้มันไหลได้ไหมได้ <c oughs> ถ้าไปยอมไปยอมไปโดยทั่วๆไปไปหาหมอหมอก็าบอกอย่าคิดมากหมอก็ทําไม่ได้อย่าคิดเนะี่ยจริงๆไนงะไปห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ได้แต่ห้ามแต่ คิดไปเถอะแต่คิดยังไงแทนที่เราจะคิดปรุงแต่งในเรื่องทุกในเรื่องเทียบแล้วก็คิดอีกทางนึงคิดในเรื่องเห็นไหมพอมีปัญญาตัวนําแล้วมันเหมือนยอมน้ําทีนะ่มันไหลไปมั้นไหลไปมันเป็นมันไหลไปไ ป, ไปลงน้ำที่มันเสียมันมันไม่เป็นประโยชน์เลยลจะทําในวิธีการเพราะว่า ขุดลอกคลองนะเนี่ยเบนสายน้ํเอาไปเอาไปทำใหเป็นประโยชน์นี่เหมือนกันยอมไม่สามารถห้ามหยุดความคิดได้แต่ยอมสามารถที่จะปรุงแต่งความคิดในทางที่ดีได้วิธีคิดในทางที่ดีเอาแล้วตอนนี้ก็ยอมได้หลักเรามีเรามีค้าแนะนําแล้วต่อไปเราจะระลึก ตั้มัน่นเหมือนไงเวลาเราเวลายอมสวดมนต์เนี่ยมันจะมีบทหนึ่งบอกว่าบาหุงสหัสสมาพินีมีภาษาอุทานตามตรีเมฆพลังวิถจะโกนไปติพระจอมมุนีคือพระเจ้าเนี่ยทรงชนะพยามารพยามารวสีมานเนะโ <c oughs> พที่บัลลังด้วยการที่พระเจ้าเนี่ย และลึกถึงบา ร, รมีสิทมีทานบา ร, รมีเป็นต้นด้วยความชอบธรรมพระเจ้าเราลึกถึงทานบา ร, รมีที่บำเพ็ญมาศีลบา ร, รมีเมฆครมะัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานนะั้เมตตาและเวทนาบา ร, รมีเราลึกถึงบา ร, รมีธรรมเหล่านั้นมาไว้ในตนแล้วก็ผนึกบา ร, รมีในตนเหล่านั้นนะ่ะหมุนให้เป็นอุปปา ร, รมีรมาบา ร, รมิทธบารมี สามารถชนะกิเลสและมารอุปสรรคทั้งหลายได้ตัดสุลูเป็นสมมาสัมพุทธทัศได้แม้ฉัน้นใดด้วยสัจจะด้วยความจริงด้วยบา ร, รมีธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นขอบา ร, รมีธรรมของพระพุทธเจ้าและความจริงเหล่านั้นจงมาประชุมในกระแสะชีวิตข้าพเจ้านำพากระแสะชีวิตข้าพเจ้าให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคและอันตราย ข้าพเจ้ากำลังประสบพบเจอเหล่านั้นด้วยเถิดยอมจะตั้งกิจอธิษฐานนี้ยอมแล้วมีกําลังใจไห ม, มเออมีกําลังใจทันทีเห็นไหมยอย่างนี้คิดไหมก็คิดนั่นเองจะคิดคนละเรื่องได้วแต่เนี้ยแทนที่จะคิดอีกเรื่องหนึ่งนี้มาคิดอีกเรื่องแล้วเราเห็นปัญหาปุ๊บกี่ไรเราก็อธิษฐานอาธิษฐานถึงบา ร, รมีดุวะริยาทรงบําเพ็ญแล้วชนะมารเป็นต้นชนะกิเลสเป็นต้นชนะอุปสรรคเป็นต้นเข้าถึงความ พ้นจากกิเลสและกองทุกขเข้าถึงความเป็นสัมมาสัพพุทธะได้ด้วยสัจจะวาจาด้วยความจริงที่เกิดขึ้นนี้ขอบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาทั้งหมดจงมาปกป้องคุ้มครองกระแสชีวิตข้าพเจ้านำพากระแสชีวิตข้าพเจ้าให้พ้นจากปัญหาและอุปสรรคที่ข้าพเจ้าที่กำลังเจออยู่นี้ด้วยเถอด <c oughs> เออเธอตั้งอย่างนี้ปุบ๊บได้ไหมออได้ระดับที่หนึ่งใช่ไหม พอคิดทีนี้โอ้เราได้ที่พึ่งแล้วเราได้แล้วนี่ถึงโอ้มีกาลังใจขึ้นมาจากขดถูท้อถอยโยมเรื่องมีพลังมีกาลังใจขึ้นมาเริ่มมองเห็นนี่ยังนี่ระดับที่หนึ่งได้และเริ่มได้โยมแหวเริ่มได้นี่ยังเริ่มได้ยังไงเริ่มว่าเริ่มได้แล้วโอ้เรมาเรมัมม่นใจพระพุทธเจ้าบําเพ็ญ ม, มามากนะและเราก็ทำ เราก็ได้ให้ทางเราก็รักษาศีลเราก็บทพินกุศลแธรรมเราก็ฝึกปัญญาเราก็มีความเพียรเราก็มีคันติเอาแล้วพระพุทธเจ้ามีบา ร, รมีเหล่านั้นอาศัยกําลังกุศลกําลังกุศลกําลังบา ร, รมีพระพุทธเจ้านั้นไว้ในตนไม่พอแล้วเราก็จะฝึกตามแล้วที่สุดจริงๆเราต้องพ้นจากอุปสรรคและกองทุกนี้อย่างแน่นอนมีเกิดความมั่นใจ เกิดความเชื่อมัน่นเนี่ยคิดแทนที่จะหมุนคิดกับเรื่องมาทุกทีกลับมาคิดอีกเรื่องนี้เอาแล้วแต่เนี้ยเราไม่ได้หยุดคิดนี่เราไม่ได้หยุดปรุงแต่งกิดนี่แต่ก่อนเราใช้ความสามารถผิดปรุงแต่งแต่เรื่องทุกอย่นั่นแหละตอนนี้เรามาปุงอีกเรื่องนึงโอ้ได้กำลังยได้กาลังใจแล้วทีนี้ได้ไหมได้เริ่มได้ใช่ไหมทีนี้สำคัญตรงที่ว่าตรงเนี้ย วิธีคิดแบบเนี้ยเราไม่ชำนาญไม่ชำนาญเลยใช่ไหเราคิดได้นิดเดียวเองแต่คิดแบบนั้นชำนาญมากเลยไอคิดที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะโอ้ยชำนาญมากเลยคิดได้ทุกอียบดช่วยไหยืนก็คิดได้เดินก็คิดได้นั่งก็คิดได้นอนก็คิดได้แต่พอคิดอย่างเนี้ยขนาดพลาดนําเงินยังคิดไม่ตามไม่ทัน โอ้โหถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้โอเคิดอย่างนี้เราก็ศกตั้งนานนะใช่ไหมล่ะอ๋อเราไม่รู้เนี่ยการปฏิบัติทำเขาทําอย่างนี้ <S 1> <S 1> แต่ก่อนเราก็ไม่ฝูกเวลาไปไหว้พลแล้วก็ขอใช่ไหม <S <S แค่ยิงเราไมา่ฝึกคิดเงี้ยเนี่ยเห็นไหมว่าถ้ายอมคิดแบบนี้จนชํานาญเมื่อไหร่ยอมก็เดินออกจากล่องความคิดแบบนั้นได้ อนาคตรู้ทันทีเลยว่ายมจะประสบสุขบรุรมษประสบเลยเพราะแค่ทําเหตุแบบเนี้ยแล้วทําอย่างติดต่อและต่อเ น, นื่องเนือรู้ทันทีว่ายมจะได้อะไรแต่ถ้ายอมทําอย่างนั้นเรารู้เลยว่ามันจะไปคนละทางเลยทางเดินหรือจุดหมายของยมที่เดินมันจะไปกันคนละทางเลยแบบนี้ถ้ายอมอยากจะไปอย่างนั้นไม่เป็นไรอามาจะบอกทางนี้ให้ไว้ทางนั้นไม่ต้องบอกเพราะยอมชานาญอยู่แล้วใช่ไหมมันคนละทาง ยอมจะไปทางโน้นแล้วจะไปยังไงบอกไว้หมดแล้วหรือยอมอยากจะเดินทางนี้ทางนี้ยอมต้องมาขุดล่องทางนี้ฝึกคิดแบบนี้ฝึกวิจัยอย่างนี้แล้วก็พอคิดอย่างนี้ปุ๊บหนึ่งได้ความเชื่อมั่นสองได้ความกล้าๆสามเรียบเลือ ก, เ ล, อ ก, เ, ลอกเลือกสติขับคืนมาที่มันหายไปหมดเลยไปฟันเฟินเลยหลงเลือกกับให้สติมากำกับอยู่กับตัวใช่ไหมให้อยู่ในไหนเขอบอกว่า เราสามารถกลับไปคิดถึงลูกได้ไหมได้เราลึกถึงเห็นเห็นผลที่ลูกกระทํามองว่าเหตุมาจากอะไรอะไรโอ้เราคิดด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราไม่ได้คิดดึงข้อมูลมาทั้งหมดแล้วก็เอาปัญญามาวิจัยแยกแยะอ๋อเข้าใจแล้วที่ลูกเป็นอย่างนี้เพราะคิดแบบนี้จนตกร่องที่เป็นอย่างนี้เพราะคิดอย่างนี้ตกร่องอ๋อเป็นนี้คิดต่อโอ้เข้าใจพอเข้าใจมันชื่นใจ ชื่นใจไม่ใช่ชื่นใจที่ลูกเป็นอย่างนั้นชื่นใจที่ได้รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงตัวนี้เราจะได้ไม่ไปตกล่องความคิดแบบนั้นเราจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเห็นยังอ๋อกลับไปคิดได้เลยแต่เนี้ยย้อนคิดก็ได้คิดอย่างเดิมก็ได้ด้วยเพราะไม่ได้ไม่ได้คิดเพื่อให้เป็นทุกข์แต่คิดให้เห็นความจริงพอเห็นความจริงปุ๊บ ยอมเริ่มได้ประโยชน์จากมันได้ประโยชน์จากความจริงไนงะได้ยังไงได้สติกลับคืนมาได้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาเอานะเรารู้แล้วลูกตกล่องนะั้นเดี๋ยวเราจะฝึกตัวเองให้เข้มแข็งให้แข็งแรงเราเข้มแข็งและแข็งแรงเมื่อไหร่เราจะดึงลูกขึ้นมว้จากล่องนั่แต่ตอนนี้ดึงไม่ได้มันเหมือนตอนนี้ยอมเห็นลูกตกน้ําอะแล้วก็ยอมโดดลงไปช่วยเขาเขาก็ล็อกคอโยม ตายทั้งคู่ไหมตายทั้งคู่ไหมตายทั้งคู่เลยแหละตายทั้งคู่ใช่ไหมเขาเรียกว่าโยมไม่มีอุปบักในการช่วยตอนนี้โยมอยากจะไปช่วยเขาหมตอนนี้เนดาจะช่วยอยู่แต่ต้องช่วยตัวเองก่อนอคช่วยตัวเองกเวลาจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเกิดเครื่องบินมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเวลาเอาที่มาใส่เขาใส่ลูกก่อนหรือใส่แล้วก่อนดีใส่ตัวเองอ๋อใส่ตัวเอง่อ เพราะอะไรต้องใส่ไปเองก่อนเพาะว่าเธตัวเองเป็นอะไรไปก็ช่วยอยู่โอหอันดียด่จริงเขาก็แก้ปัญหาแบบพุทธเจ้าบอกนั่แหละแต่เขาไม่เดี๋ยวเราไม่เข้าใจใช่ไหมเขาก็จะประกาศบอกทุกครั้งใช่ไหมท้องให้เอามาสวงใจ่ตัวเองก่อนว่าเขาบอกเอามาก็บอกเออจะแก้ปัญหาเป็นเวลามานั่งเครื่องบินเลยเออเข้าใจนี่แต่เขาไม่บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีของพุทธเจ้า วิธีนั้นยากแต่โยมไม่ได้ใช้วิธีนั้นยอมไปใช้วิธีของใครก็นเลยเห็นไหมเห็นไหม่โยมก็ตอนนี้โยมเริ่มรู้แล้วอ๋อกลับไปคิดเรื่องลูกได้คิดได้ทุกเรื่องไหมคิดได้สามารถดึงแค่ไดส้สติไปดึงดึงข้อมูลดึงอดีตดึงเรื่องราวต่างๆดึงมาเนะ ดึงมาให้ปัญญาสอบสวนให้ปัญญาตรวจสอบมาวิจัยแยกแยะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรด้วยเวลาหมอเขาเห็นคนเป็นโรคมะเร็งสมมติเขาเข็มเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเวลาไปที่โรงพยาบาลหมอเห็นแล้วหมอเป็นลมไหมเพราะอะไรหมอเขาต้องการเขาเห็นแล้วโอ้โหมันสมมติเป็นโรคร้ายเกิดขึ้นมาหมอตื่นเต้นมากรู้ไหมอู๋เราจะต้องวิจัยแยกแยะ ก็จะต้องหาสาเหตุของมันนี้ได้โรคนี้มาจากไรโอหมอตู้เต้นุทํางานอย่างมีความสุขเลยนะหมอทาอํางานยังมีความสุขเลย น, ะนี่เหมือนการยอมต้องทําตัวเป็นหมอเราเห็นปัญหาของลูกอย่างเนี้ยยอมต้องใช้สติเนี่ยไปดึงปัญหาถึงอุปสรรคมาถ้าแข็งแรงแล้วนะถ้าปัญญาแข็งแรงพอก็สอบสวนวิจัยเยอะๆยอมจะเห็นอะไรเยอะๆโอ้เป็นกรณีศึกษาอย่างดีแต่อยอมสามารถ แข็งแรงได้เมื่อไรแล้วสามารถแก้ปัญหาช่วยลูกได้เมื่อไรโอ้โหก็เป็นเคสเป็นเคสตัวอย่างอย่างใช่ไหมล่ะโดยไม่ต้องใช้ยาลองคิดดูที่อกนะเข้านะเข้าในอเมริกานี่ใช้ก็มาดถามติดยอะยอมามารถคิดค่าชั่วโมงเลยเลยกี่เหรียญก็ว่าดีไหมโห้สบายอันนั้นอันนั้นอันั้นพูดเลยไปไม่เอา อันนี้ลบแต่พูดให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นประโยชน์จริงๆเนอะใช่ไหมล่ะถ้ายอมสามารถแก้ปัญหาผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยโอ้โห ย, ยิ่งใหญ่มากเพราะทุกวันเนี้ยโลกระบบเทคโนโลยีที่เจริญอนหรือสภาพสังคมอย่างนี้คนจะเป็นกันอีกอีกมากพร้องรัพย์มันไม่ได้คำตอบญาติไม่ได้คำตอบไม่ใช่ หรือการมีสิ่งของมากๆมาเสรมายมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วโอ้ทยอมตรงเนี้ยเป็นกรณีศึกษาไหมเนี่ยโอ้โหน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นนะกรณีอย่างเนี้ยโอ้โหมันจะช่วยคนได้เยอะเลยทยอมแข็งแรงเข้มแข็งในคําสอนของพระเจ้าฉลาดทุกเรื่องแล้วเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของเหตุและผลของปัญหาของทุกและววิธีการดับทุก หนึ่งเห็นปัญหาสองเห็นเหตุของปัญหาสามวางจุดหมายไว้เลยเราจะดับปัญหานี้ได้สี่วิธีการเราจะแก้เราจะดำเนินขั้นที่หนึ่งสองสามยังไงเพื่อเข้าไปสู่การดับทุกโหยมมองแล้วเข้าใจชัดแบบนี้แล้วใช่ไหมล่ะนี่เห็นไหมโยอมต้องเข้มแข็งจริงๆไม่ใช่อ่อนแง่เพรตัวนี้ถ้าเราเห็ น, นจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่ง เห็นปัญหานะ้วสองเห็นเหตุถึงปัญหาแล้วนะสองวางอุกสามวันจุดหมายสี่วิธีการถ้ายอมรู้ความจริงอย่างนี้ปุ๊บเมื่อไหร่ยอมจะได้ประโยชน์อย่างไงยอมจะเอาประโยชน์จากมันได้ทุกขั้นตอนถึงแม้ยอมยังทําอะไรไม่ได้เลยแต่ประโยชน์ที่มีค่าที่สุดยอมได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้วิธีการได้ฝึกตนเองทุกด้านว่าจริงต่างต่างเหล่านี้โอ้โหยมต้องบันทึกไว้เลย บันทึกเป็นเคสตัวอย่างไว้เลยนะเป็นกรณีศึกษาอย่างมากแล้วยองก็ฝึกตัวเองได้ทุกด้านเลยเด็ดนะน่าสนใจไหมล่ะบ <laughs> ันทึกอ่าบันทึกศึกษาว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมถ้าคิดแบบนี้โอ้โหจริงก็อย่างที่พระเจ้าว่าไว้ถ้าคิดแบบนี้มันจมจมจมจมโอ้โหมันจะเนื้อข้าวเนะ้อข้ามันมันออกไม่ได้จริงจแล้วจะเจอปัญหาอย่างไรแล้วเนื้อข้เวลาเราแั่นไปเสร็จแล้วก็ดู กรณีลูกเขาป็นหายอนี้ถ้าโยมดูอย่างศึกษานะเกี่ยวข้องกับลูกนะไปเกี่ยวข้องกับลูกแล้ดูเขาอาการที่เขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็เสร็จโยมจะดูอย่างไม่ทุกข์แบบนี้เวลาเวลาโยมดูภาพยนตร์ที่มันฆ่ากันตายดิโยมร้องไห้้ทำไมไม่ร้องมันฆ่ากันตายแต่น่าจะตายไม่ร้องเพราะอะไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้อง แล้วยอมเคยเคยดูแถวตะวันออกกลางที่มันจับแถวคนยุโรปไปแล้วไปเชือดคอก็เห็นคลิปเห็นอะไรหแล้วยอมเห็นแล้วร้องไห้เลยไหมเป็นบางครั้งเครียดก้มเลยไหเป็นบางครั้งเครียดอยู่นานไหมเครียดเท่านี้ไหมไม่ไม่่เพราะอะไรเพราะไม่ได้กล้ตัวพระยอมคิดว่านั้นไม่ใช่ลูกยอมใช่ไม ที่ยอมเป็นนี้พยายอมคิดว่นี่ลูกเราเใช่ไหมล่ะเพาลูกเราแต่ทั้งหมดเหล่านี้อยู่นอกตัวเราหมดไหมยอมเป็นคนมีความสา ม, มารถคือใช้ความสา ม, มารถที่สา ม, มารถไปดึงเอาความทุกข์ข้างนอกตัวมาไว้ในทุกในตัวยอมได้นี่ยอมเก่งเลย <c oughs> <c oughs> เป็นคนกล้าสา ม, มารถแเราซึมทราบความทุกข์ได้เก่งมาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ต้องสา ม, มารถเท่านั้นถึงจะทําได้ ถ้าไม่สามารถมากๆทำไม่ได้ไหมแบบนี้ถือว่าเป็นความสามารถไหมความสามารถ <c oughs> เป็ดไก่เขาทำได้ไม่ยอมความทุกข์แบบนี้ <c oughs> เช่นเขาเอาแม่พ่อแม่เขาไปเที่ยวึกไก่ตัวหนึ่งมันเป็นโรคลูกเขาเป็นโรคชักตาหน้า ต, ตาไก่ที่เป็นพ่อเป็นแม่มองดูแล้วเขา <c oughs> เขาก็ชักตามลูกเลยไหม <c oughs> เพราะอะไร เขาไม่มีความสามารถที่จะทุกข์ความความสามารถเขาไม่ถึงแต่ยอมมีความสามารถถึงเก่งกว่ากึงไหมตรงนี้ต้องการชี้เห็นว่ามนุษย์เราจริงๆแล้วเมื่อมีความสามารถที่จะทุกข์ได้ขนาดนั้นมนุษย์สามารถที่จะมีความสุขได้มากปรุงแต่งความสุขให้เกิดขึ้นได้มากสุขจนถึงขนาดเป็นพระอริยก็ได้ขนาดนั้นปรุงแต่ง หรือทุกจนถึงขนาดจมจมจมจมทุกจนเพี้เพจนเป็นจนถูกความทุกข์บีบคั้นจนใจขาดตายในขนาดนี้นคือเครียดจนตายเครียดจนเส้นเลือดหดสมองแตกเครียดจนเป็นบ้ามนุษย์ทํำได้หมดเลยนี่ใช้ความสามารถผิดมันขนาดนั้นถ้าใช้ความสามารถถูกมันตรงกันข้ามเลยนะถูกหูมันจะพัฒนาอย่างมากเลยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้ นนมนุษย์เนี่ยโโหัวเป็นสัตว์ที่พิเศษมากแปลกกว่าสัตว์อื่นซึ่งสัตว์อื่นทําไม่ได้นะสัตว์จระเ้ฉานทําไม่ได้สุนัขทําไม่ได้หมูไก่แมวเนี่ยทําไม่ได้ขนาดนี้แต่มนุษย์เนี่ยทําได้มนุษย์เนี่ยได้ทั้งด้านไม่ดีก็ได้ทั้งด้านดีก็ได้มันคนละขั้วเลยอยองนี้เริ่มเห็นนี่ไงยองยังมีศักยภาพเยอะขนาดยอมทุกได้ขนาดเนี้ย แสดงว่าถ้ายอมกลับใช้ความสามารถของยอมกลับมาอีกด้านหนึ่งยอมจะสุขได้ถึงสูงสุดน ข, ข, ข, ขนาดนั้นแสดงว่ายอมยอมคือมันสามารถทุกได้จนจนเต็มที่ได้ขนาดนี้ถ้ามันกลับมาได้สิถ้าใช้ความสามารถอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวโอ้โหยอมเนี่ ย, ม ย, ยไม่ธรรมดานะยอมเนี่ยอยอมเห็ความสามารถของยอมนี่ ย, ยังเพราะยอมไปใช้ผิดทางอยู่ไ้มล่ะ ถ้าใช้ถูกทางึ้นมายอมมีมี p o r อะไรตัวสูงมากมาเห็นงงเล็กโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยทั้งายจะดังความสามารถไม่ธรรมดานะเนี่ยแต่เพอเอินยอมไปใช้ไปใช้ทางในทางที่ผิดเลยถ้าใช้ในทางที่ถูกโอ้โหยอมโลดแล่นแล้วแบบ น, นี้จริงไหมยอมนั้นจริงไหมนี่มีความสามารถสงูงคือสามารถที่จะทุกได้เต็มที่เต็มอ มันไม่สามารถจะทุกได้เต็มที่มันก็สามารถที่จะสุขได้เต็มที่นี่ไจริงไม่จริงเพียงแต่ว่าเราให้อะไรมันเราให้อาหารอะไรมันในการปรุงแต่แค่นั้นเองปรุงแต่ทุ ก, ก็ได้ปรุงแต่งสุกก็ได้เป็นลักษณะนี้นี่คือความสามารถของมนุษย์นี่คือศักยภาพเนี้ยซึ่งสัตว์อื่นทําไม่ได้สัตว์อื่นไม่มีนะเครียดจนจนต้องโดดน้ําตายเนี่ยไม่มีมีหมเคยเครียดเคก็คไปโดดน้ำแต่ เป็นตัวนี้ใช่ไหมเอาเลยยอมเริ่มเห็นศักยภาพของตนเองแล้วยอมตั้งเกีตนาใหม่ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะใช้ความสามารถในทางที่ถูกฉันจะไม่ไม่เอาความทุกข์มาใส่ตัวเองฉันจะทําความสุขให้เกิดขึ้นทั้งเชื่อมั่นปงแต่งขึ้นมาแกล้าอาถรรพ์มีสติ ก, กับคืนมามีสมาธิมีปัญญารอบรู้ฉันเข้มแข็ง เ, เมื่อไหร่ เรื่องลูกเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องขั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปที่จะช่วยลูกแต่ตอนนี้ฉันจะช่วยตัวเองให้เต็มที่เริ่มเห็นทางไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยกับตัวเองไหมเอพาดเหนื่อยไหมเนี่ยจริงๆไม่เหนื่อยเราโยมจริงๆคืออย่างนี้เดี๋ยวมได้เป็นบุญแล้ว จะเป็นบุญนะที่โยมได้ได้มีภรรยาท น, านี้มีเพื่อนดีนะมีได้เพื่อนดีใช่ไเพื่อนดีเออเพื่อนชักนํามาให้เจอตลอดตลอดถ้าไม่ได้สร้างเหตุเนียดีดมายมไม่ได้เจอเแบบนี้แสดงว่าโยมสร้างเหตุแค่ดีมาใช่ไหมโอ้โห การเดียทบีมาอย่างนี้นะถึงได้มาเจอในสถานการณ์ที่ชื่อตรเราเจอวิกฤตแบบเนี้ยโอ้หถึงนี้เป็นโอกาสเห็นไหมวิกฤตกับความทุกข์วิกฤตกับโรคภัยไข้เจ็บหรือวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองอะไรแบบนั้นไม่น่ากลัวที่มันน่ากลัวคือวิกฤตปัญญาวิกฤตศรัทธาวิกฤตปัญญา อ้เ น, นี้ยน่ากลัวหรือปัญญามันวิกฤตเนี้ยมันมันไม่มามันก็เลยไม่เห็นทางออกใช่ไหมดง น, นั้นไอ้วิกฤตหรือปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เจอไม่เปนไม่ใช่เป็นขออย่างเดียวอยาให้ปัญญามันวิกฤตหรือวิกฤตปัญญามันไม่มาโอกาสนิยมได้ใ ด, ด้ได้ได้เจอสิ่งที่แต่นยมจะฟังให้เข้าใจยังไงและหาได้เก็บข้อมูลให้มากยังไง ที่จะเอาไปพัฒนาไปเรื่อให้เข้าถึงความเข้มแข็งทุกด้านเคือว่าเวลาเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเขานิยมไปขอพรพระใช่ไหมล่ะพระก็บอกว่าอภิวาทนาสีริสนิจมุธาปจายโนจัตตาโรธมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังอายุวันหน้าสุขลัง ใช่ไมใช่ไหมเอาไปขอพอรที่จริงในคําสอนมันจะมีพรสี่นะอายุวันณะสุขะภาะมีสี่พรห้าก็มีอายุวันณะสุขะโพคะพละ 4. พรหกนนรก็มีนะอายุวันณัสุขะโพคะพละปฏิภาณี่หกเลยเนี่ ย, น, ยนี่เป็นต้องเดาว่าจริงๆแล้วเนี่ย คำว่าเวลาพระท่านท่องเป็นภาษาบาลีมาเนี่ยเวลาพระท่านท่องอภิวาทานาสีลิษาเป็นต้นอยะไรนี้ที่ยอมไปขอพรจากพระยอมคิดว่าพรที่อยู่ในตัวพระมันวิ่งเข้าไปในในในกระแสชีวิตยมได้จริงไหมได้ไมล่ะได้หรือไม่ได้ เวลาพรสวดเนี่ยปุ๊บเนี่ยพรมันวิ่งเข้าสิงในตัวโยมปุ๊บ๊๊เลยวะเข้าไปเลยไมชาร์จเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ป๊เข้าไปเลยไหมมันเข้าไปงั้นไหมามีศรัทธาได้นะธรถามโยมนี่โยมยอนถามมามาเลยคำว่าขอพรเนี่ยคำว่าพรในที่นี้พรแปลว่าอะไรไหมพ้าแปลสิทธิพิเศษ ที่ให้ตามที่ขอพรวัละภเบลเวสิสสิทธิพิเศษที่ให้ตามที่ขอตามที่ร้องขอจริงๆเวลาไปขอพรเขาไปขอข้อไปขอโอกาสอย่างนางวิสาขาไปขอโอกาสเป็นพุทธเจ้าเนี่ขอพร น, นะขอโอกาสถวายทีวรเดชสงขอโอกาสถวายข้าวยาคูแก่สงขอโอกาสในการถวายอาหารแก่ท่าเดินทาง ขอโอกาสในการถวายอาหารเก็บผ้าที่มาใหม่ขอโอกาสในการในการที่จะดูแลผ้าป่วยขอโอกาสในการดูแลผ้าที่ดูแลผ้าป่วยขอโอกาสในการที่ถวายอาหารก็ถวายผ้าผ้าทิวอ่อนแดดเดดนางที่คืนเนี่ยเห็นไหมขอพรผิดกับขอพรภาษาไทยเราเนี่ยภาษาใช้ไหมละขอพรกัไปขอโอกาสในการที่ทําสิ่งที่ดี ถ้าว่าอายุเนี่ยยอมว่าอายุมากกับอายุน้อยเนี่ยยอมชอบอะไรยอมยอมแหน่ชอบเลยชออายุมากดีตรงไหอายุมากชอบอายุมากทีนีกมากแต่ไม่มากเกินไปจริงชอบอายุมากหรืออายุน้อยอายุมากดีหรืออายุน้อยดีอายุ อายุน้อยก็คือยังมีเวลาเหลือที่จะใช้เอออยู่ไหมภาษาไทยเป็นยังไงภาษาไทยจะชอบอายุน้อยแต่คําว่าอายุที่พระให้ในภาษาบาลีเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีคําว่าอายุปในความหมายเนี่ยก็แปลว่าพลังพลังพลังหล่อเลี้ยงชีวิตหรือพลังชีวิตคําคว่าพลังชีวิตเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนบางคนเนี่ยอายุมาก หรือบางคนอายุน้อยแต่พลังชีวิตต่ําอย่างยกตัวอย่างคำว่าพลังก็คือเป็นคนอยู่อย่างงอยเหงาเศร้าซึมหดหู่ท้อถอยหมดกําลังใจอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพลังเขาเรียกอายุน้อยต่ออายุอายุอายุมากยังไงก็เขาเรียกอายุน้อยแต่ถ้าคนมีอายุน้อยอย่างที่เราเห็นกันแต่เป็นคนมีพลังพลังชีวิตมากมีพลังมีจิตอาถาร เกล้ากล้าบากบั่นไม่ท้อมีกําลังใจมีสติมีสมาธิอนี่ก็เรียกพลังชีวิตมากเขายายัางเห็นไหมคําว่าอายุ ข, ของพระนี่หมายถึงพลังพลังชีวิตเป็นชื่อของฉันทะอิทธิบาทนี่มีความรักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอย่างยมโยมต้องมีตัวนี้นะโยมต้องมีความรักความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า ฉันจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคนีไ้ไปให้ได้ยอมมีความเพียรตัวนี้ไหมถ้าไม่มีแต่ว่าอะไรพลังชีวิตน้อยแต่ถ้ามีตัวนี้มากก็เรียกว่าพลังชีวิตมากยอมมีอายุมากหรือน้อยเม่อมก่อนที่ท่านจะเมื่อก่อนที่จะมาพบท่านก็มีมีน้อยแต่<ม>ตอนนี้มี ม, มากคือเห็นไหมนะก็เลยไม่มีพลังชีวิตะฉะนั้นตัวนี้ก็เรียกตัวฉันทะ มีความรักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะบรรลุสิ่งที่ตนเองฝันหรือหวังว่าฉันต้องผ่านปัญหาอุปสรรคนี้ไม่ได้ให้ได้ถ้าฉันไม่สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนี้ถ้าฉันยังผ่านไม่ได้ฉันยังตายไม่ได้ยอมตั้งขนาดนั้นไหมถ้าตั้งขนาดนั้นใช่ก็เรื่กมีพลังฉันไม่กลัวต่อปัญหา ฉันจะมีความเกล้ากล้าอาถารในการที่จะบุกฝ่าก้าวไปใจสู้จะเห็นปัญหาอุปสารคนี้เป็นเวทีทดสอบความสามารถฉันจะไม่กลัวเด็ดขาดฉันจะต้องรู้ถึงความสมฤทธิผลผ่านพ้นอุปสรรคให้ได้ฉันจะไม่ปล่อยให้ความหมดถูท้อถอยมาแทรกซึมกระแสชีวิตจิตใจฉันเด็ดขาดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนี่คือพลังชีวิตมีไหมมีไม่มีแล้วก็มีจิตใจจดจ่อ จดจอ่อนะคําว่าอุดทิศกายอุดทิศใจทุ่มทั้งกายทั้งใจในการที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคนี้ให้ได้เหมือนคนกู้กับระเบิดเนี่ะถามว่าคนกู้กับระเบิดนี่เขามั่นใจตัวเองสูงไหมสูงไม่สู ง, ส ง, สงโอ้โหเขาต้งโองตอนนั้นเขามัวกังวลเรื่องอื่นไหมจดจอ่อตั้งมั่นเขามายถึงชีวิตเขาใช่ไหมเขาจะต้องเขาจะต้องจัดการดับชนวนระเบิดนั้นให้ได้ นี่เหมือนกันยอมก็ต้องมีอุทิศกายอุทิศใจว่าฉันจะต้องดับปัญหาแก้ความทุกข์เหล่านี้ผ่านพ้นปัญหาประสาทนี้ไปให้ได้ไม่ได้ไม่สําเร็จไม่เลิกไม่ถอนความตั้งใจเห็นไหยครังนี่พลังชีวิตไหมแล้วฉันไม่ได้ทำแบบมั่วๆด้วยนะฉันยัมีปัญญาใช้ปัญญาเข้ามาสอบสวนมาตรวจสอบมาวิจัยมาแยกแยะ เราจะรู้ให้รอบรู้ให้ลึกรู้ให้ชัดรู้ให้ทั่วทุกปัญหาทั้งหลายฉันจะมาวิจัยแยกแยะเพื่อจะบรรลุสิ่งที่ตั้งใจนั้นให้ได้ให้รวดเร็วโอ้ศึกษาค้นคว้าฟังให้เต็มที่เลยได้หรื อ, อยังพลังชีวิตได้หรื อ, อยัง <Okay. S 1> นะได้ทั้งความรักความปรารถนาอย่างกล้าๆว่าฉันจะต้องจัด ก, การปัญหานี้ไปให้ได้ฉันเชื่อมั่นอย่างสูงฉันจะมีความวกล้าอาจฐานก้าวไปใจสู้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ให้ได้ ไม่เห็นปัญหาอุปสรรคเนี่ฉันจะเห็นมันเป็นเป็นเวทีทดสอบเป็นบททดสอบเป็นแบบฝึกคัดที่จะทําให้ฉันรู้ถึงอุปสรรครู้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ฉันจะมีฉันจะอุทิศกายอุทิศใจในการที่จะฟันฝ่าต่อสู้ปัญหาอุปสรรคนี้ให้ได้ฉันจะใช้ปัญญาตรวจสอบวิจัยแยกแยะด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจจะไม่ทําอะไรตามความรู้สึกแต่ทําด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้พวกแปลว่าอะไรยอมได้อายุ นี่คำว่าพระให้พรคำว่าอายุคือคำนี้ยอมต้องเอาไปฝึกให้มันเกิดขึ้นจริงๆยอมที่จะได้พรจากพระข้อแรกเขาใหญ่ยังเลยเนียอ้าวได้แล้วนะได้อายุแล้วเนดะินสองวันนะเคยได้ยินไหมอายุวันนะอ่ะวันนะเป็นชื่อของอะไรวันนะเป็นชื่อของสุจริตยอมสมาทานว่าเราจะทำกายให้สุจริต ก, กายสะอาดวาจาให้สะอาด อาชีพบริสุทธิ์ใจของเราไม่มีไม่มีอคติไมีความคุ่นมัวเราจะไม่ลำเอียงเพราะรักบางทีเราลำเอียงเพราะรักเข้ามากเกินไปไหเราจะไม่ได้ใจสุดจริตกับเขาใจเราก็ทุกข์สิใช่ไหมเราจะไม่ลำเอียงเพราะโกรธโกรธกูทําไมลูกเราต้องเป็นจะไม่ลำเอียงเพราะหลงเราจะใช้ปัญญาวิจัยแยกแยะไม่จะไม่จะไม่ลำเอียงเพราะกลัวจะไม่กลัวเราจะไม่กลัวต่อปัญหาโลกประสรค พอโยมได้กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดอาชีพบนสุดยอมผ่องใสไหมวันนะาแปลว่าผ่องใสผ่องใสโอ้โหล่าเลยใช่ไหมผิวพัรรณก็ผ่องใสไม่เครียดแบบที่ม้าใหม่ๆ <c oughs> <c oughs> หน้าตาบอกบุญลับแล้วตอนนี้ใช่ไหมเพิง <c oughs> ใหม่บอกบุญไม่ค่อยรับตอนนี้บอกบุญเลยเนี <c oughs> ไ่ได้ได้วันน้าสุขค่ะ สุ ข, ข น, นี้เขาเรียกกลุ่มธรรมสมาธิมันจะมีห้าตัวนะั้นปราโมดความล่าเลินเบิกบานใจปีติอิ่มใจฟูใจปัจสทิความสงบผ่อนคลาย ใ, ใจสงบเยอือกเยืนสุขสมณนะคล่องล่าเลิงเบิกบานไม่เครียดไม่กลุ้มคล่องจิตใจโลง่งแล้วก็สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิต นี่พระท่านบอกอายุวันาสุขคะยอมต้องไปเดินจิตให้ได้แบบนี้ฝึกจิตให้ได้อย่างนี้ปรุงแต่งจิตให้ได้แบบนี้แต่ก่อนเราปรุงแต่งทุกแต่ตอนนี้เราเริ่มต้องมาปรุงแต่งปราโมทความล่าเลงเบิกบานใจยอมแค่หายใจเข้าหายใจออกยอมทำความเบิกบานที่เกิดขึ้นไหยได้ไหมบางทีต้องต้อ ง, ต, องต้องนำจิตนะ ทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําจิตให้โปร่งเบาหายใจออกนี่แค่แค่แค่แค่ท่องน้ำอย่างนี้มันยังไปได้จิตนี่นึกถึงความดีด้วยนะเช่นสมตมติถ้ายยอย่างย้อนแหวนไปนึกถึงพระพุทธเมตตานึกถึงที่ไปมองพุทธเมตตาที่อินเดียพบแล้วก็ บ, บอกว่าระลึกถึงด้วยทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําจิตให้โปร่งเบาหายใจออกแล้วคิดถึงนี่นะโอ้จิตเบิกบานเลยตรงนี้ยล่าเริงเลยตรงนี้ เป็นปลาโมดนี่ยังพอฝึกปลาโมดไปเรื่อยๆล่าเลยเรื่อย ๆ, อยๆนักเขานักาปีติมันเกิดอิ่มใจอิ่มใจฟูขึ้นขนพองลุกขนลุกชูชันนะื่อทีน้ำตาไหลชื่นใจนะคเขานะคเข้สงบพอละเอียดขึ้นไปจิตสงบกายซะกายสงบใจสงบกายสงบใจสงบผ่อนคลาเย็นนักเขานะคเข้สุขสมนนัท ลึกสุขแบบสมนัสคล่องแล้วก็สมาธิเริ่มตังต้งตอนที่เราฟุ้งวอร์สเราไม่ได้สุกใจถ้าสุขสมนัสมาปุ๊บเนี่ยสมาธิจะมาจิดตั้งนั่นนี่ก็เรียกสุขสุ ข, ขะโพคะโพคะนี่เป็นเป็นชื่อของโพกษะคนที่มีโพกษะภายนอกมากก็สามารถแจกให้คนอื่นได้ให้ทานรักเนี่ยนี่ไหม แต่โกพกษะภายนอกให้หมดได้แต่โพคะภายในเมตตามีใจรักปราถนาดีเอื้ออาทรโยมสามารถแจกเมตตาให้กับคนอื่นถ้าเมตตาเกิดขึ้นมากๆๆๆแล้วความโกรธความเครียดมันจะหายไปกรุณาสงสารเมื่อเรานึกไปถึงลูกแล้วสงสารคิดจะช่วยเขาพ้นทุกข์เนี่ยสงสารไม่ใช่เครียดนะ คิดสงสารใจเป็นสุขนะน้องปราถนาไหนเขาพ้นทุกปราถนาไหนเขาพ้นทุกตอนนั้นใจเราเป็นสุกนะกําจัดความคิดเบียดเบียนเขาเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครแล้มุทิตาพอ ย, ยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีมีสุขอุเบกขาความวางใจเป็นกลางทรมิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยยอมแจกเขาได้ยังไงก็ไม่หมดถ้าถ้ายอมแพ โยมเมตตาคนหนึ่งคนเหมือนโยมจุดเทียนเนี่ยเอาเทียนมปนจุดหนึ่งเล่มเมตตาสองคนก็จุดสองเล่มสามคนก็สามเล่มถ้าโยมลองเมตตาคนทั้งประเทศเหมือนกับจุดเทียนตั้งเจ็ดสิบล้านเล่มถ้าหากเมตตาคนทั้งโลกก็เหมือนกับจุดเทียนเจ็ดพันล้านเล่มโอ้โหสว่างทั้งโลกเลยเมตตาผู้แจกไหก็ไม่หมดนะเมตตาเนี่ยโพทษะซับภายในนะแจกไปทีแจกให้สว่างสวัยไป มองเห็นนี่นเห็นไหมเนี่ยอิโพคะอายุหมายถึงอิทธิบาทสีวั น, นะหมายถึงศีลสุ ข, ขะหมายถึงปลาโมดปิติปสัสสติสุขสมาธิโพคะเมตตากรุณาเมตตาเมตต า, าแล้วก็ภาระมีสามกำลังหนึ่งกำลังกายตอนนี้โยมมีกำลังกายแข็งแรงดีไหมอา่าถ้าไม่มีฝึกให้มีฝึกให้มี ออกกาลังกายทั้งหลายเนี่ยจิตเป็นไปกับสมาธิจิตไม่มีสติให้มีสมาธิในการออกกําลังกายพุทธเจ้าสอนให้ดูแลสุขภาพร่างกายนะนี่กาลังกายต้องเข้มแข็งนี่ยพละเท่านั้นแปลว่ากำลังกําลังใจตอนนี้ยอมีอย่างมีกําลังของศรัทธามีกําลังของสติกําลังของสมาธิกาลังของความเพียรความกล้ากล้ามีกําลังใจกิเลส นิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่กุ้งอยู่กําลังที่สําคัญที่สุดคือกำลังปัญญาถ้ายอมพัฒนาปัญญาได้ปุ๊บยอมก็หลุดพ้นอยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือความโลภกดหลงความกัดกลุ้มความวุ่นวายทั้งหลายถ้าหากไม่พัฒนาปัญญาปุ๊บกิเลสไม่อยู่เหนือกิเลสนําพาชีวิตยอมเป็นทุกข์อย่างที่เป็นเนี่ยนั้นยอมถ้ายอมปัญญาขึ้นมาอยู่เหนือเสียมีกําลังปัญญายอมก็หลุดพ้นจากเป็นอิสระได้ เป็นอิสระเสรีภาพนี่ได้ครบห้าหรือยังครบห้าแล้วพรห้าอายุอิธิบาทสีวั น, นะหมายถึงสีสุ ข, ขะหมายถึงธรรมสมาธิห้าอย่างประโมทปิติปัสสติสุขสมาธิแล้วก็โพคะอีกพรหมวิหารสีเมตตากรุณาเมตตาเวทพละกําลังกายกําลังใจโดวชว่ากําลังปัญญา เอาให้อีกข้อหนึ่งปฏิภาณปฏิภาณเนี่ยเป็นคนที่แก้ปัญหาได้เร็วมากเห็นปัญหาปุ๊บแก้ได้ทันทีเดี๋ยวนั้นเลยไม่แช่ไม่จมอยู่กับความทุกข์นานไม่จมอยู่กับปัญหาอุปสรรคด้วานะเห็นสถานการณ์เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆมาไปเฉลิญเฉพาะหน้าหุ้ยมีปัญญามีปฏิภาณขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยแก้ไขปุ๊บปุ๊บได้เลยต่อไปยอมเอาตรงนี้ไปฝึกให้ได้ พอเห็นปัญหามาเฉพาะหน้าปุ๊บเห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นแก้ไขได้กลับไปที่ห้องปุ๊บเห็นลูกเครียดลูกกุม้มลูกไม่พูดจาะไรต่างๆแก้ไขตัวเองได้ไม่ให้ตัวเองไปจมอยู่กับความทุกขนะ์เข้าใจแล้วนี่เป็นบทฝึกแล้วเดี๋ยวบอกไว้ในใจเลยเดี๋ยวฉันแข็งแรงเมื่อไหร่เข้มแข็งเมื่อไหร่ฝึกตัวเองแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวช่วยตอนนี้ลูกทรไปก่อนมันแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากเลยเข้าใจยังเห็นปั๊บแล้วเข้าใจเลย ไม่ใช่ลูกก้มนอนไม่หลับเอ้ยลูกมีปัญหาก็ไปทุกกับมันมีปฏิพาณแก้ปัญหารวดเร็วไม่จมอยู่กับทุกข์จะมาในเมลูกไหนจะมาในสถานการณ์ไหนแก้ปัญหาได้ทันทุกสถานการณ์เลยเขาเรียกปฏิพานปฏิพานขนาดนั้นเลยโยมไหนมีได้ยังข้อ น, นี้ <c oughs> <c oughs> แก้ปัญหาได้หมดเลยใช่ไหมเอาเวลาฉันเห็นโยมทุกข์มาแล้วฉันทุกข์กับโยมนะ ทำไมไม่ทุกข์เลยแล้วทำไมฉันไม่ทุกข์เพราะฉันมีปติภาณใช่เพราะฉันไม่ไปจมนลยโยมเหตุผลที่ถ้าฉันไปจมด้วยฉันจะบอกโยมได้ไหมไม่ได้ฉันอยากช่วยโยมนะฉันมีกรุณานะแต่ฉันไม่ไปร้องไห้หนาะให้ร้องยังก็ไปร้องเพราะถ้าไปร้องได้มันจะไปแก้ปัญหาได้ไงใช่ไหมฉันรู้ทันทีว่าเออถ้าไปร้องนั้นโยมหมดกําลังใจแลยโอ้โหตายเลยใช่ไหมล่ะโยมแบปหาโยมแหวนจะบอกความทุกข์ ก็บอกไปบอกมายอมแอบร้องไห้ถ้าทำกันเลยไ ม, ไม่ได้เลยใช่ไหมเริ่มเห็นนี่